นามตตะสะปะกวาโรตระโตสัมมาสัมพุทธะนามุตตะสะะวตโรตระโตสัมมาสัมพุทธะนามตสะะกวตโรตระโตสัมมาสัมพุทธะขอเจริญพรญาติโยมที่ใส่ใจในการที่จะพัฒนาตัวเอง ในใครเคยฟังหลวงพ่อมาครบสามครั้งแล้วบ้างไหนใครยังไม่ฟังเลยเขายังไม่เคยฟังเลยเอ่ะธรรมะของหลวงพ่อเป็นธรรมะในแนวของการปฏิบัติร่วมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้หมายหมายถึงการทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันอยู่บนวิถีของหนทางนั่นเรียกว่าการปฏิบัติก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องหาหนทางให้เจอก่อน หนทางของการปฏิบัติเนี่ยซึ่งแนวทางของหลวงพ่อนี้แบ่งระดับการปฏิบัติไว้สามขั้นตอนดดวยกันจริงมันไม่มีขั้นตอนอะไรหรอกแต่สื่อให้รู้ว่าแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องไปในเส้นทางนี้นะถ้ามันไม่ไปในเส้นทางนี้มันอาจจะเขว้ไป ในแนวทางอื่นทำให้เราเสียเวลาเพราะชีวิตของเรานี่มันไม่ยืนยาวเท่าไหร่หรอกคนจะปฏิบัติธรรมได้อย่างเก่งกไม่เกินสามสิบสี่สิบปีสามสิบสี่ปีปีเนี่ยถือจะว่าถ้าเราอุทิศถ้าเราอุทิศ ชีวิตให้แก่การพัฒนาเนี่ยมันย่อมไปถึงเป้าหมายย่อมต้องเข้าใจว่าปัญหาต่างๆของมนุษย์เราเนี่ยที่พุทธเจ้าพูดไว้มันมาจากความยึดถือใช่ไพอยึดถือมันก็มีความรู้สึกมีตัวเราขึ้นมานี่เขาเรียกว่าอัตตาอัตตาหรือตัวตน พอมีตัวเราแต่เนี้มีปัญหาแล้วในมิติที่มีปัญหาก็คือมิติของที่เรียกว่าปุถุชนเนี่ยปุถุชนดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกขมีตัวตนจิตระดับเนี้เขาจะจิตสามัญสำนึกหรือจิตสำนึกในระดับปุถุชนและจิตจิตสามัญสำนึกเนี่ยเราใช้เพียงปัญญาสองอย่างเดียกันปัญญาระดับความรู้กับปัญญาระดับความคิด หรือเหตุผลปัญญาะระดับฟอรมลูเดี๋ยวนี้สามขวบสี่ขวบก็เข้าโรงเรียนแล้วสมัยก่อนนี่เจ็ดขวบรุ่นลุงพ่อนี่เจ็ดขวบกวจะสำเร็จปสี่ก็อายุดังเยอะแล้ะเดี๋ยวนี้ตัวน้อยๆสำเร็จปสี 4, ป่ปหกแล้วเรียนจนกระทั่ง ได้ปริญญาปริโทเอกถือว่าสูงสุดเนี่ยถ้าลายยี่สิบกว่าปีเรียนปัญญาเรียนเพื่อให้เกิดความรู้เนี่ยตั้งยี่สิบกว่าปีนี่เราได้ปัญญาความรู้แล้วแล้วความรู้นั่นแหละคือข้อมูลของความคิดในระดับเหตุผลถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เนี่ยคิด คิดไม่เป็นมนุษย์คิดไม่เป็นส่วนย่อของมันก็กมาทํำคอมพิวเตอร์เดนีนี้ไงใช่ไหมคอมพิวเตอร์มันมีอะไรบ้างมีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็คือข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยไม่ทํางา น, นอ่ะอิดเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยมันก็คิดไม่เป็นคิดไม่ได้ก็อยู่โดยสัญชาตญาณเท่านั้นเอง เหมือนกษัตริย์อยู่โดยชะตาเยือนเพื่อจะเอาตัวรอดเนี่ยในมิติของจิตสามัญสำนึกเนี่ยที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกมตตีตัวเราอันเนื่องมาจากความยึดถือยึดถืออะไรบ้างยึดถือแนอารมณ์ที่มากระทบเรียว่าการรมมุปาทาน ยึดถือในความเห็นที่ถูกปาทานยึดถือในรูปแบบพิธีรีตองศีลประตูปาทานยึดถือในอัตวาทุยึดถือในความหมายของภาษาอัตวาวาทะยึดถือในวาทะคาพูดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามูหมากาไก่นี่เป็นคําสมมุติ แล้วเราก็ยึดถือในในความหมายความหมายว่าหมาว่าสุนัขใครมาว่าเราเป็นสุนัขนี่มันไม่ดีอืเนี่ยเรายึดถือในภาษาทําให้เรารู้สึกพอใจไม่พอใจความยึดถือสีอย่างเนี่ยคือปัญหาของมนุษย์เราพระเจ้าบอกว่า ปัญหาต่า ง, างๆเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกก็มีตัวเราถ้าเราไม่มีความยึดถือตัวตนก็ไม่มีจิตเราจะเป็นอิสระจิตของเราจะเป็นอิสระรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันจะรับรู้เฉยๆไม่เอาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมาปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกชอบชังขึ้นมาไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะกลิ่นไม่ว่าจะรสอะไรตัอะไรแต่เวลานี้ เราติดติดในรถเรียกว่ากามคุณเนี่ยติดในรถของสิ่งสวยๆงามที่เราเห็นทางตาติดในรถหรือเสพในรถของเสียงเนี่ยต้องไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์ฟังเสียงเพลงบางคนมันติดจริงๆนะโอ้โหเสียงนี่สามารถจะแยกนี่ ติดในกลิ่นติดในรสอาหารอู้อยู่ไกลาทางไกลต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือที่หลังสิไปนั่งยอ ง, ยองๆกินแม้อร่อยสมัยนั้นนี่มันติดหมดเลยเนี่ยเราเราดำเนินชีวิตเสพติดอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยติดอยู่กับประสาทสัมผัส เนี่ยพวกนี้ก็ถือว่ากามุ ป, ปาทานติดในความเห็นตัวเองพอรับพอเรารับรู้แล้วเราก็ใช้ข้อมูลความคิดความรู้เนี่ยเป็นข้อมูลนความคิดเปรียบเทียบให้ขาดตัดสินลงความเห็นสูงตำ่ำดำขาวยาวสั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งใกล้ไกลใหญ่เล็กถูกผิดเกิด ค, ความรู้สึกชอบชังขึ้นมาพอเราลงความเห็น ความยึดติดตัวที่สองก็คือที่ถูกปฎิทัานยึดถือในความเห็นของข้าถูกของเองผิดเนี่ยที่มันจะตีกันตายทุกวันนี้ก็เพราะเนี่ยของข้าถูกของเองผิดไอ <c oughs> <c oughs> ้คนที่คิดว่าถูกนี่ก็ไม่ใช่ความจริงนะเราไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้สิ่งที่เรายึดไว้เนี่ยที่เราบอกว่าถูกเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงเนี่ยตีกันตาย 10บาติยี่สิบาตถ้าไม่พัฒนาปลายพ้นหรือถ้าไม่พัฒนาให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบแล้วตระหนักรู้ยังรู้ตัดทะรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเงี้ยเราจะละวางความยึดถือทั้งสี่นี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในมิติของจิตสา ม, มัญจำนึกเนี่ยความสุขของมนุษย์เราที่เราแสวงหากันนักหนาก็คือความสุขจากประสาทสัมผสัสแค่นั้นเอง ทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายทางใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยเนี่ยเราติดอยู่กับไอเนี่ยเนี่ยจิตระดับนี้ก็เรียกว่าจิตสามัญจำนึกพอเกิดความรู้สึกชอบชังมันก็ปรุงเป็นความโลภความโกรธแสดงออกมาทางหน้าตาเลือดลมผิดปกติเลยขนาดนั้นนะร่างกายเราประสาททำงานผิดปกติร่างกาย ทำงานผิดปกติหมดแต่เราไม่รู้ตัวไอคนที่เส้นเราหิตแตกตายก็เพราะนี้อารมณ์พวกนี้เกิดความโลภความโกรธก็เกิดความต้องการนี้เกิดความต้องการก็เกิดการกระทํามันกิเลสความรู้สึกชอบชังเป็นความโลภความโกรธแล้วเกิดการกระทําแล้วก็มีผลเนี่ยกิเลสกรรมวิบากนี้เขาเรียกสังสาวัฏ ที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในวัตจักรของสังสารวัฏอิเลตกรรมวิบาศน์นี่ก็เกิดเพราะได้และก็เกิดความยึดติดสุขบ้างทุกบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้จนตายถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจของเราให้มันมีปัญญาชนิดหนึ่งที่จะยังรู้ความจริง ตกลงว่าในมิติที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในจิตสามัญดํานึกเนี่ยเราไม่เคยรู้จักความจริงเราไม่เคยรู้จักความจริงของชีวิตเลยเราไม่รู้จักตัวเราเลยเราไม่รู้จักความจริงของโลกของจักรวาลเราไม่รู้จักว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรเราไม่รู้จักโลกเราไม่รู้จักอะไรเลยเราหลงอยู่กับ การปรุงแต่งของความคิดที่มันทำให้เราเกิดความรู้สึกชอบบ้างชังบ้างนี่เราดาเนินชีวิตอยู่อย่างเงี้ยจนตายอยมคุณเจ้าตายไปแล้วเท่าไหร่อ่ะสองพันหกร้อยปีแลพันห้าร้อยกว่าปีคำสอนของท่านเนี่ยมาถึงนี้ยุคเราเนี่ย 2,500 กว่าปีถ้าสิ่งที่พระองค์สอนมันไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงแล้วละวางความยึดติดได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้คำสอนเราเนี่ยมันคงมาไม่ถึงเราคงมาไม่ถึงพันปีสองพันปีแต่เราก็ไม่ ได้ใยเ้าก็ไม่ได้สนใจที่จะใยศึกษามันไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเพราะนั้นในมิติจิตสนำนึกที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันมาจากความยึดถือเกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาพอมีตัวเราแล้วเนี่ยจิตใจมันคับแคบความรักความเมตตามันไม่มีมันเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยกันไม่ได้ ทุกวันเนี้ยเวลาเนี่ยทั้งๆที่เราเป็นเมืองพุทธเนี่ยเราให้อภัยกันไม่ได้เลยขับรถตัดหน้ากันหน่อยก็ยิงกันตายแล้วมองหน้ากันหน่อยก็แทงกันตายแล้วโอ้อะไรก็นไปแล้วการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐคือเป็นสัตว์คือเป็น เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถพัฒนาตัวเองได้สัตว์อื่นอย่างลิงอย่างช้างเนี่ยมันก็พัฒนาได้นิดหน่อยนะแต่ว่ามันพัฒนาตัวเองไม่ได้คนต้องฝึกให้มันคนอื่นฝึกให้มันแต่มนุษย์เนี่ยคนอื่นฝึกให้ไม่ได้คนอื่นสอนทาให้ไม่ได้ แต่เราสามารถจะทำตัวเราได้มนุษย์เป็นเขาต้องบอกมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไงแต่ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะท่านโตเสษโธมนุษย์เสด็ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐแต่ถ้าเรายังไม่ได้พัฒนาเลยเนี่ยบางทีเราแย่ ก, กว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ แต่ดิฉันมันไม่เคอกัดกันตายมมนเคยฆ่ากันแต่มนุษย์นี่โอ้โหสามารถจะฆ่ากันตายได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาจิตใจเนี่ยมนุษย์นี่มันทั้งต่ำสุดแล้วก็สูงสุดพระเจ้าสงคนพบปัญญาชนิดหนึ่งที่จะอย่างรู้ความจริงว่า เราเนี่ยมาจากไหนแล้วก็จะไปสู่ที่ใดตายแล้วเนี่ยจะไปไหนยังรู้ว่าความจริงของตัวเราเนี่ยมันคืออะไรยังรู้ว่าวิถีของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงยังรู้วิถีที่ไปพ้นโลกหรือวิถีของความจริงเนี่ยมันเป็นยังไง นั่นปัญญาที่เราที่เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายก็เพื่อจะให้ตะหนักรู้ความจริงอย่างรู้ความจริงแล้วเมื่อเรารู้ความจริงมันก็ละความยึดติดที่มันไม่จริงที่เรายึดถือทุกวันเนี้ยไอความเห็นกันดีอืมสิ่งต่างๆที่เรายึดถือไว้เนี่ยสมมุติบัญญัติต่างๆเนี่ยแล้วเรา ให้คายความหมายของมันว่าไอ้นั่นถูกกันผิดไอ้นั่นดีไอ้นั่นไม่ดีนี่ี่ไม่ใช่ความจริงหนึ่งนั้นเลยเพราะหลกกิจจามันสํานึกนี่ก็ถึงเรียกว่าโลกมายาเราอยู่กับมายาแต่เรานึกว่าเนี่ยคือความจริงเนี่ยบางคนเกิดมาตายไปไม่รู้อะไรเลยมามืดไปก็มืดวันนี้โยมน่าจะเห็นหนทางนะ เพระการปฏิบัติก็เพื่อจะให้เกิดปัญญาแท่นิดหนึ่งอย่างรู้ความจริงละวางความยึดถือต่างๆเมื่อละวางความยึดถือตัวตนก็หายไปจิตของเราก็เป็นอิสระใครชมใครด่าแล้วก็เฉยเห็นจริงไดๆแต่ก็รับรู้ทางตาหูจ ม, ๆๆมูกนิ้วเท้เฉยได้จิตเราก็เป็นอิสระความพอใจความไม่พอใจความโลภความโกรธก็ไม่มีเมื่อไม่มีความโลภไม่มีความโกรธ ก็ไม่เกิดความต้องการไม่มีการกระทำ <Yeah. S 1> นี่ถึงจะไปพ้นวงจรวัตจักของสังสารวัฏกิเลสกรรมวิบาก <Yeah. S 1> นั้นก่อนอื่นแนวทางที่หลวงพ่อชี้เนนะที่จริงมันไม่ใช่แนวทางของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นเพียงสื่อสื่อกลางเป็นสื่อกลาง ที่ถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองต้องหาหนทางให้เจอก่อนต้องหาวิธีว่าทํายังไงเราจะไปพ้นจิตสามัญต้นรรนึกที่มีตัวตนแล้วการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติไปบนหนทางหนทางเนี่ยมันเป็นมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่อยู่เหนือจิตสามัญต้นรรนึก ไม่ว่าจะทางสายกลางไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาหรืออริมัมยองแปดเนี่ยเนี่ยที่ที่พระองค์พูดไว้ในอริยสัจสี่ข้อที่สี่เนี่ยหนทางธัญญากลธัญญาได้ฟังพูุทธเจ้าพูดธรรมจักรกับพระวันนัสสด และท่านก็ได้เห็นดวงตาได้ดวงตาเห็นธรรมสมณะทางสุดโตรงทั้งสองไม่ควรเดินให้ดึงทางสายกลางเยอะมือดับชางสุดโตรงทั้งสองไหมทางสุดโตร ง, งทงั้ ง, งสองก็คือปัญญาระดับเหตุผลถูกต่ำดำขาวยาวสั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกผิดใกล้ไกลใหญ่เล็กเนี่ยปัญญาที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนี่ยคือเล็กปัญญาระดับเหตุผล มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเนะี่มันไม่ใช่ความจริงสมณะทางสุดโตงทั้งสองไม่คนเดินให้เดินทางสายกลางท่นัญญาคุณทัญญาได้เห็นทางสายกลางนีมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือสภาวะจิตที่ไปพ้นความสุดโตงทั้งสองขณะนั้นมันจะต้องไม่มีกระบวนการความคิด สูงต่ำดำขาวยาวสั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกผิดใกล้ไกลก็คือสภาวะจิตที่มันว่างนั่นเองเมื่อใดที่เราเห็นจิตของเราว่างนั่นแหละหนทางเนี่ยเราเจอแล้วทางสายกลางหรือหลักของกลยสิขาศีลศีลคือสภาวะจิตที่ปกติวันวันหนึ่งเนี่ยใจของเรามันปกติ มากกว่าเรามีอารมณ์พอใจไม่พอใจเชื่อไหมเราโกรวใครทั้งวันว่าเรารักใครทั้งวันไหมไม่ใจของเรามีความเป็นปกติมากกว่าที่เรามีอารมณ์พอใจไม่พอใจถ้าเรามีอารมณ์พอใจไม่พอใจทั้งวันเนี่ยเราอยู่มาไม่ถึงวันนี้เครียดตาย แต่สภ า, าวะจิตที่เป็นปกตินี่เนี่ยมันรักษาร่างกายของเราไว้ mm hmm. พอเราไม่มีอารมณ์พอใจไม่พอใจใจมันก็ปกติก็คือใจมันว่างมันเองใจของเราเนี่ยมันว่างเป็นปกติอยู่แต่การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เคยหันเข้ามามองใจตัวเองจิตของเรามันจงออกไปข้างนอกหมดเลยไป อยู่ก็รูปมั่งอยู่ก็เสียงมั่งอยู่ก็กลิ่นมัน่งอยู่ก็รสอยู่ก็อะไรอะไรข้างนอกหมดเลยกลายเป็นความเคยชินไม่เคยไม่มีงานไหนที่หันเข้ามามองจิตใจตัวเองเลยไม่ว่าการศึกษาระดับไหนสูงสุดระดับปริญญาเอกกตามไม่มีวิชาไหนที่ให้หันเข้ามามองตัวเองแล้วเห็นจิตตัวเองไม่มีเลยมันถึงเราถึงไม่เคยชินไง เราถึงไม่รู้ว่าวันๆหนึ่งเนี่ยใจของเรามันเป็นปกติอยู่ในหลักใยศิกษาเนี่ยศิกษาแปลว่าศึกษ า, ศ, กษาศึกษาตัวเองศึกษาตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือจิตที่มันเป็นปกติจนมีพลังไอ้ความปกตินี่มีพลังนี่คือสมาธิ เมื่อจิตมีพลังในความเป็นปกติก็จะเป็นฐานให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งยังรู้ความจริงแต่หนักรู้ความจริงที่พระเจ้าใช้คำว่า จ, จะตสรู้ปัญญาตกลงปัญญาที่รู้ความจริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากความรู้ที่เราเรียนมาจดจามาไม่ได้มาจากความคิด เพราะนั้นในมิติขจิตสามัญจำนึกมันจึงไม่มีปัญญาเห็นความจริงปัญญาที่จะเห็นความจริงหรืออย่างรู้ความจริงเนี่ยมันไปพ้นจิตสามัญจำนึกเรื่องการปฏิบัติของเราถ้ายังหาหนทางหรือวิธีที่จะพ่ายพ้นจิตสามัญจำนึกไม่ได้เราก็ยังไม่ได้เริ่มเดินทางเลยเรายังไม่ได้เดินทางเลย หนทางอันยาวไกลเนี่ยโสดาิกิธาอนาคานีไม่ต้องพูดถึงเลยเราต้องปฏิบัติให้ได้อยู่กับสภาวะอยู่บนฐานของจิตที่เข้าถึงหนทางตลอดเวลาเลยเนี่ยเนี่ยคือความเป็นพระอาหารหันต์ในพุทธศาสนาแพระอาหารหันต์ในพุทธศาสนาคือผู้ที่ ไม่มีตัวตนเลยไม่มีความรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนหรือตัวเราเลยสภาวะสะภาวะที่ไปพน้นจิตสามัญจำนึกแล้วเท่านั้นจึงจะไม่มีตัวตนถ้าไปพน้นจิตสามัญจำนึกเ5ินนี่คือพระอนาคามีห้าสิบเอร์ซ็น พสิกธาคามียี่สิบห้าเระโสดาบันเห็นใหม่ๆนี่เออก็ได้ดวงตาเห็นทาใหม่ๆนี่เพราะนั้นต้องหาหนทางพุทธเจ้าพูดไว้ในอริยสัจสวิธีที่จะไปพ้นจิตสามัญทานึกในหลักของไกลสิขาเนี่ย พุทธองค์ส่งอุปมาเหมือนกับโคแมลกอ่อนเล็มยหญ้าชำเนืองดูลูกน้อยแม่โคมันมีลูกเล็กๆกี่ตัวมันเล็มหญ้าไปชำเนืองดูลูกไปเหมือนกับคนเราต้องทํางานในชีวิตประจําวันเนี่ยทํางานไปชำเนืองดูใจไปถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยการงานในชีวิตประจําวันก็เป็นการปฏิบัติก็เป็นการบําเพ็ญภาวนาไปด้วยเห็นไหม ไม่ใช่ไปหยุดงานไปนั่งสมาธิไม่ได้ทำอะไรเลยหลับหูหลับตาสะกดจิตตัวเองให้มันสงบเนี่ยที่เราทำกันทุกวันเนี้ยมันไม่เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงเราศึกษาพุทธประวัติมาแล้วว่าพระพุทธองค์ตอนออกจากวังใหม่ๆไปอยู่กับสองอาจารย์ฮาลาเลราบอุตการดาบ ท, ท, าาบทปฏิบัติกับสองอาจารย์ ทำแบบที่เราทำกันทุกวันเนี่ยสงบแต่ไม่มีปัญญาได้ฌานได้สมาบัตเจ็ดสมาบัตแปดสงบมากเวียนผ่านไปใกล้ๆยังไม่ได้ยินเสียงเกวียนเลยและเราก็ทำตามที่พระองค์ทำกับสองอาจารย์นั่นแหละสงบเคยเคยทำอย่างนี้มั้งหลวงพ่อเชื่อว่าเราทำกันมาทุกคนหลวงพ่อก็ทำ ทำมาหลายปีด้วยมันสงบไอตอนสงบเนี่ยมีความสุขนะจิตไม่ไปวุ่นวายก็อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยมีความพอมีความสุขตรงนี้เราไปเสพมันอีกอะ่ะติดในสุขอีนั่นนะ่ะวันวันห น, นึ่งต้องนั่งในบ้านเราเป็นใหญ่ในี่ใครเสียงดังเราดุเราอะไรต่ออะไร ติดความสุขในความสงบนั้นอีกแต่ปฏิวัติไปจนตายก็มันมีปัญญาอย่างรู้ความจริงพระเจ้าท่านใช้เวลาไม่นานท่านก็รู้ว่าโอ้อันนี้ไม่ใช่ทางออกมาแสวงหาวิธีการเอนด้วยตัวเองอดก้าอดนะ้ำทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ทางทำทุกวิธีทางจนกระทั่งท่านมาพบ ในขณะที่จิตมันว่างมีเทวดาไปถามพระองค์ว่าพระองค์ปฏิบัติยังไงจึงข้ามโอ ค, คาสงสารได้ในพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าพระเจ้าบอกเอา้าเราก็ปฏิบัติในขณะที่เราเดินยืนนั่งนอนในบททั้งสีเนี่ยอย่างไม่พักไม่เพียงถ้าเราพักกระจมถ้าเราเพียงกรลอยพระสูตรเนี่ยน้อยคนจะเข้าใจ ปฏิบัติไงอย่างไม่พักไม่เปรี่ยนไม่จมไม่ลอยเนี่ยมหายานเขาเน้นมหายานเขาเน้นตรงนี้เขาเน้นที่สภาวะจิตที่ไปพ้นทวิภาวะทวิปาวาของคู่ของคู่ก็คือความสุขตรงของสองก็คือปัญญาระดับเหตุผลนั่นเองสูงตำ่ำดำขาวยาวสั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งพักเพียนจมลอยนี่มันเกิดจากอะไร เกิดจากความคิดใช่ไหมไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนพู้องค์จิตไม่มีพักไม่มีเพียรไม่มีจมไม่มีอะอก็คือจิตว่างนั่นเองไม่ว่าจะเดินจิตก็ว่างไม่ว่าจะยืนจิตก็ว่างสภาวะจิตที่ว่างนั่นแหละคือหนทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ัญญาคุณธัญญาได้เห็น เสบนะทางสุดโต่งทั้งสองไม่ควรเดินให้เดินทางไส้กลาบก็คือสภาวะจิตที่ไปพ้นจิตฉามันจำนึกที่เราใช้เพียงปัญญาระดับเหตุผลกับความรู้เห็นหนทางแล้วจึงจะเกิดปัญญาอย่างรู้ความจรงิงปัญญาอย่างรู้ความจริงเนี่ยมันมาจากใจที่ว่างจากความรู้สึกของตัวเรา ในมิติจิตเหนือสํานึกหรือในมิติของกิตที่ไปพ้นจิตสามัญํานึกเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไปพ้นชื่อบุญบัญญัติต่างๆพายะเดินทางไปทั้งคืนอยากจะไปพบผู้เจ้าพอดีตอนเช้าไปเจอผู้เจ้าก็ขอร้องให้พระองค์แสดงธรรมพระเจ้าบอกเดี๋ยวให้รอรอให้เรากลับมาจากบิณธบาตก่อนพายะไม่ยอม อาเกิดพระ อ, องค์ไปบินธบาตครับพระ อ, องค์เดินทางวมาทั้งคืนเนี่ยเกิดเป็นลมเป็นแร ง, งตายไปก็ไาม่ได้ฟังธรรมผู้จ้าก็เลยพูดสัน้นๆพายะเธอจงเห็นสัคตะวันเห็นได้ยินสัคตะว่าได้ยินทราบสัคตะว่าทราบพายะบรรลุธรรม เ, เห็นนะมพายะเห็นยังไงได้ยินยังไงขณะนั้นพายะไม่ได้คิดอะไรเลยจิตใจมันว่าง เห็นได้จิตที่ว่างได้ยินได้จิตที่ว่างรู้อะไรก็ในขณะที่จิตมันว่างเนี่ยเขาเรียกว่าส ah ัตวเห็นส ah ัตวได้ย ah ินสัตว์ทราบถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ได้ยินได้อย่างนี้รู้อะไรด้วยใจที่ว่างอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเราเข้าถึงความจริงเนี่ยเข้าถึงมิติที่ไปพ้นเหตุผลไปพ้นความรู้ต่างๆแล้ว ขณะนั้นตัวตนก็ไม่มีไม่มีใครเห็นไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตในมิติสมอันทั้งนึกเนี่ยไม่ว่าเราจะรับรู้ทางตาหูจมูกเล่นกายมันจะมีสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้เห็นไเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดในขณะที่เราเห็นในขณะที่เราได้ยินเนี่ยพอเห็นปั๊บความคิดเริ่มจาได้ว่าอันนี้อะไรนาฬิกา สิ่งที่ถูกรู้จะมีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีผู้รู้่ก็มีความเลือกฉันเห็นนาฬิกาฉันเห็นแก้วฉันเห็นอโนรนี่ตามที่เราสมมุติเขาว่าเนี่ยจิตสามัญจำเนื้ที่เราดาเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าเราจะเห็นทางตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นภาษาบาลีเขาเรียกอะไรรูปผู้เห็นนาม รูปน้ำเห็นไหมมีรูปมีน้ำสิ่งที่ถูกเห็นก็ผู้เห็นแล้วเราก็มาพิจารณารูปมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับน้ำมันก็เกิดกดับมันไม่มีตัวตนสรุปว่ามันไม่มีตัวตนนี่ยังเป็นเรื่องของความคิดอยู่ที่โยมพิจารณาายรักกันทุกวันเนี่ยเราไม่ได้รู้ด้วยปัญญาในมิติที่อยู่เหนือ จิตสามันตั้นึกเรายังใช้จิตสามัญตั้มนึกเกิดดับเที่ยงไม่เที่ยงมีตัตนไม่มีโดวตนบังคับได้บังคับไม่ได้เนี่ยเราก็คิดว่า น, นี่คือความจริงไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุผลเนี่ยไม่ใช่ความจริงแต่ในม่ติขงจิตสามันตั้นึกเนี่ย เนี่ยเราคิดว่าเนี่ยคือความจริงนี่สูงนี่ดำนี่ดำนี่ขาวนี่อ้วนนี่ผอมเนี่ยเนี่ยเรานึกว่าเนี่ยคือความจริงเกิดจากความคิดพระเจ้าส่งคนพบปัญญาที่เรียกว่าญาณทัศนะรือปัญญาญาณปีชายาณนไม่ได้มาจากความรู้ไม่ได้มาจากความคิด ปัญญาตัวนี้เกิดได้เมื่อใจเราสงบใจเราว่างเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นจิตที่มันว่างเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะอย่างรู้ความจรงิงแล้วเราก็ไม่คือชินกับไอ้ไอ้ปัญญาตัวนี้บางคนไม่รู้จักเลยเพราะจิตเพราะเราไม่เคยไปพ้นจิตสา ม, มันตำนึงเลย ทั้งๆ ท, ที่บางครั้งปิดเหนือสํานึกหรือจิตที่ไปพ้นจิตสํานึกก็ทํางานนะเช่นเราไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกเนี่ยแม้เรามีความสุขเพราะอะไรเราไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นมันเบาสบายคลุมเกรือมั่นก็ธรรมชาติเรารู้สึกเบาสบายเมื่อเราเข้าถึงมิติอจิตเหนือสํานึกเนี่ยเราจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่ง ที่มาจากภายในมิติงจิตสา ม, มันทำนึกความสุขของคนเราเนี่ยมาจากการที่เราได้เราเป็นเรามีอยากได้อะไรแล้วเราได้เรามีความสุขอยากกินอะไรที่มันอร่อยแล้วเราได้กินแล้วมันมีความสุขความสุขของมนุษย์หรือปุถุช น, ชนเรามาจากประสาทสัมผัสเราก็ติดแต่ความสุขที่พระ้าพูดว่า นัตติสันติปลังสุ ข, ขังสุขอื่นยี่ก็ความสงบไม่มีความสุขตัวนี้มาจากใจที่สงบใจที่ว่างจากความรู้สึกก็มีตัวเราเพราะฉะนั้นในวิถีของการปฏิบัติที่มันไปพ้นจิตสามันจำนึกที่มีตัวตนแล้วเราจะมีความสุขปไปด้วยทำงานก็มีความสุขนี่หลวงพ่อแอบเห็นองคอ์กรเห็นไหองคอ์กร แห่งความสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขกับงา น, อ, น อ, องค์กรก็มีมัดตโคไมุ่งอ่อนเลียมยาคือวิธีที่จะไปพ้นจิตใจมันทั้งนั้น แต่ส่วนมากเราไปกำหนดลมหายใจบ้างไปกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดลูกแก้วกำหนดท้องโยมรู้ไหมว่าไม่ว่าเราจะกำหนดอะไรก็ตามเราไปสร้างสิ่งที่ถูกรูก้สร้างผู้รู้แม้จิตจะไม่ไปไหนเลยไปอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงก็เกิดไม่ได้ เพราะมันยังมีตัวตนมีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้ไอ้ผู้รู้นี่แหละคืออัตตาอัตตาตัวตนที่เป็นปัญหาของมนุษย์เราทุกวันนี้มันเกิดตรงนี้เกิดจากในขณะ ท, ที่เราเห็นในขณะ ท, ที่เราได้ยินรับรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วมีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้เราไม่ได้เห็นเฉยๆเราไม่ได้ยินเฉยๆ แต่ถ้าเราเห็นไอ้จิตที่มันว่างอยู่เนี่ยไม่ว่าเราจะเห็นเราจะได้ยินเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้กด็ดีผู้รู้ก็ดีมันจะไม่มีมันจะสิ้นสุดลงการปฏิบัติก็เพื่อขจัดไอ้ความยึดถือที่มันสร้างความรู้สึกมันมีตัวตนนี่แหละยึดถือไนยึดถือในสมมติบัญญัติเนี่เราตั้งวันนาฬิกาคนน้นคนนี้ใช่หไหมอัตวาทุกปานทายึดถือในสมมติบัญญัติ มันก็เกิดความมุจกมีตัวเราขึ้นมาฉันฉันเห็นฉันได้ยินมีฉันเป็นศูนย์กลางของการรับรู้อย่างแบ่งแยกทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งด้วยในโลกของจิตสามัญจำนึกหรือปุถุชนแล้วเนี่ยเราดำรงชีวิตอยู่อย่างแบ่งแยกสรรพสิ่งตั้งชื่อให้มันหมดเลยมันมีสรรพสิ่งเพราะเราไปตั้งชื่อให้มันแบ่งแยกกันหมดเลยแตกต่างกันหมดเลย เราอยู่ในโลกของความแบ่งแยกอยู่ในโลกของความแตกตา่างในมิติของจิตสามัญทัศนึกเนี่ยแต่ในมิติที่ไปพ้นจิตสามัญทัศนึกแล้วบางทีเขาเรียกว่าจิตเหนือสํานึกเนี่ยหรือในมิติของความจริงเนี่ยสรรพสิ่งเป็นเอกภาพเดียวกันสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอภาคกันไม่เหมือนกันไม่แตกต่างกัน ภาษาลิบุตรต้องการจะรู้ว่านางคุณทนเกษีไปพ้นจิตสามันจำเนึกอกัอยังท่านก็ถามนางคุณทนเกษีว่าอะไรคือความเป็นหนึ่งนางคุณทนเกษีตอบไม่ได้นางคุณทนเกษีนี่มีปฏิพานไหวพริบฉลาดโตวะทีนี่ใครสู้ไม่ได้เลยนะวันนีเป็นตวะทีก็ภาษาลิบุตรตอนหลังนางคุณทนเกษี เข้า ม, ามวชในพุทธศาสนาความเป็นหนึ่งก็คือสภาวะจิตที่มันไปพ้นการรับรู้อย่างแบ่งแยกไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้เรากับสรบรพสิ่ง ร, รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเนี่ยคือวิธีของการบําเพ็ญภาวนาการบําเพ็ญภาวนาไปบนวิธีของความเป็นหนึ่งนี่ทางมหายาณก็ถือว่าเนี่ยคือวิธีของโพธิสัตว์ ในถิรวาสเราก็มีเฮกายนามัมโคเอกายนัมโคมักหรือวิถีของความเป็นเอกภาพหรือวิถีของความเป็นหนึ่งเราไม่รู้จักเรายังค้นหาตรงถ้าเรายังค้นหาตรงนี้ไม่เจอการปฏิบัติเรายังไม่ิ่มเลย เอาไหนโยมลงมาสังเกตกันดูที่ว่าโยมน้อยๆเ น, นี่ยมันน่าจะเห็นสักครึ่งหนึ่งนะผู้ชายพูดครั้งแรกเนี่ยท่านัญญาคุณธัญญาได้ดวงตาเห็นธารมันเนียห้าคนเนี่ยปัญญวัคขีโคเมือ ก, ก่อนเลี้ยมญาชั้นเลืองดูลูกน้อยแม่โคเลี้ยมญาไปชั้นเลืองดูลูกไปเราทํางานไปชั้เลืงดูใจแล้วด้วย ทำงานไปชำเลึงดูใจแล้วทุกครั้งที่เราชำเลืองดูใจอะไรจะเกิดขึ้นไหนโยมลองสังเกตโยมลองให้ใจยาวๆสักสองสาครั้งที่ให้ใจลึกให้ใจยาวๆเนี่ยพอเราให้ใจยาวๆเป็นไงบ้างรู้สึกผ่อนคลายแล้วลองสังเกตด้วว่าขณะที่เราให้ใจยาวๆเนี่ยมันมีความคิดอะไรไหม มีไหมมีไหมอย่างวิธีที่จะทาให้ความคิดมันหยุดไปโดยธรรมชาติก็คือชําเลืองดูมันชําเลืองนะอย่าจ้องจ้องก็ไมา่ใชา่เหมือนกันถ้าจ้องนะมันจะมีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้จ้องี่มีเจตนาในพระไตรปิฎกเ็าใช้คำว่าชําเลืองทำงานทำการไปหน่อยชําเลืองดูใจ ทุกครั้งที่เราชำเลืองดูใจแล้วเนี่ยโยมโยมไม่เห็นมันละความคิดมันหายไปแล้วโยมไม่มีทางที่จะเห็นความคิดเลยเรารู้ว่ามันมีความคิดตอนที่เราไม่ได้ดูมันแต่เรารู้เนี่ยแต่ถ้าลองลองชำเรเลืองดูมันดิโยมจะไม่มีความคิดเลยอะโยมสังเกตใหมส่สิแต่นี้ไม่ต้องให้ใจ ย, ยาวก็ได้คนที่ยังไม่เคยสังเกต คนที is, mein, ein, ein, en, outside, pay, ่ยังไม่เคยเห็นจิตที่มันไม่มีความคิดเลยเนี่ยใหม่ๆก็ลองให้ใอยู่ยาวดูแล้วก็ดูแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยยมไม่ต้องเริ่มโดยการให้ใจยาวแล้วนี้นึกขึ้นได้นึกขึ้นได้เลยคือสติชำเลืองดูใจเราไม่มีความคิดเลยใจว่างขณะที่ใจไม่มีความคิดมันเบาสบายตาเห็นเป็นไงเห็นเฉยได้ยินเฉยรับรู้เฉยเนี่ยสักตัวเห็นสัก ถ้าโยมเห็นได้ในขณะที่ใจไม่มีความคิดเนี่ยเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยได้เห็นความจริงเนี่ยโอ้สิ่งที่เราเห็นดังตานี่มันไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มียาวไม่มีสัน้นไม่มีทุกไอ้นั่นเกิดจากความคิดโยอมพิสูจน์เลยแต่ก่อนเราเคยเห็นว่าไอ้นี่สูงไอ้นี่ต่ำไอ้นี่อ้วนไอ้นี่ผอมนี่มาจากความคิดทั้งนั้นเลยแต่พอเราเห็นใจที่มันไม่คิด ประสาทมันก็ทำหน้าที่เห็นเฉยๆได้ยินยเฉยๆไอ้ประสาตตานี่มันเห็นเฉยๆแต่ใจความคิดมันทํางานให้คาตัดสินลงความเห็นเราจับได้เลยว่าเจ้าความคิดมีเองคือความสุดต่งทั้งสองมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกับความจริง พอมันไม่คิดนี่แหละเราเข้าถึงความจริงเนี่ยแล้วไอ้ที่รู้ความจริงนี่มันจะเห็นได้ตานี่ไม่เห็นความจริงเนี่ยหูไม่เห็นความจริงนะประสาทเนี่ ย, าายมันรู้ความจริงไปไหนะแต่ตัวที่ยังรู้ความจริงโอ้ในขณะที่ใจเราว่างเนี่ยมันจะมีปัญญาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าญาณเนี่ยยังรู้สิ่งที่เราเห็นดังนั้นโอ้มันเป็นเช่นนั้นเอง ตาตาตาเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองนี่คือความจริงถ้าโยมเห็นได้อย่างนี้โยมเห็นหนทาง น, น, นะแต่นี้ทำงานทำการอะไรต่อไร น, นึกขึ้นได้ชำเลืองดูใจใจมันจะว่างใหม่ๆว่างเดี๋ยวเดียวแต่ทาบ่อยๆนานขึ้นหลายวันหลายเดือนหลายปี ตัวว่างตัวความคิดเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงตัวว่างที่มีอยู่แล้วมันก็เผยให้เราเห็นจะตัวล่างจะตัวว่างนี่แหละคือตัวตนที่แท้ของเราคือธรรมชาติที่แท้ของเรามันมีอยู่แล้วเป็นอมตะริงงนี้มันเป็นความจริงสูงสุดภาษาพากะเรียกอสังกตธรรม ทำที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันเลยไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสุ ด, ดมันเป็นอมตะมันมีอยู่แล้วในคนเราทุกคนแต่เราไม่เคยสังเกตมันหรือความคิดมันบังหมดเลยความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมันบังสิ่งนี้หมดเลยในห้องเนี่ยโยมประสาทสัมผัสเราเห็นจริงต่างๆทั้งนั้นเลย มีสิ่งหนึ่งที่ตาเราไม่เห็นโยมรู้ไหมอะไรเนี่ยเนี่ยเราเห็นหมดโ น, โ น, นูในนี่มีชื่ออะไรันะ้งนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยตาความว่างเราไม่เคยสนใจไอ้ตัวว่างนี้เลยเนี่ยเราไม่เคยสนใจแต่เราสนใจสิ่งที เป็นปรากฏการ์เหมือนใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันมีความว่างเป็นพื้นฐานอยู่ความคิดก็ส่วนความคิดความว่างก็ส่วนความว่างแต่ความคิดเนี่ยมันบังความว่างเมื่อความคิดหายไปเราก็เห็นความว่างนั่นแะที่ยมเห็นในขณะที่ใจไม่มีความคิดนั่นแ่ะความว่างนั่นแหละ นั่นแหละหนทางนั่นแหละตัวตนที่แท้ของเรานั่นแหละคือสัจจะสูงสุดมีความจริงอยู่สองชนิดในโลกกัในจักรวาลทางพระก็เรียกสังคตะธรรมธรรมที่เกิดจากการปรุงแต่งเนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่เรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสเนี่ยมันเห็นสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งไอ้สิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม่ได้ปรุงแต่งมันเห็นไม่ได้ประสาทสัมผัส แต่ปัญญาญานเนี่ยมันจะเห็นไอ้ตัวว่างจัตจะนี้ด้วยแล้วมันก็เห็นไอ้ปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิปัจจายานที่เขาพูดไว้ในพระไติพุทธเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตจิตเห็นธรรมในธรรมเนี่ยหมายถึงเห็นปรากฏการในสิ่งในสิ่งหนึ่ง ที่ไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้เห็นสังกตรธรรมในอสังกตรธรรมจะเรียกว่ากายจะเรียกว่าเวทนาจะเรียกว่าจิตจะเรียกว่าธรรมอะไรก็ตามนี่คือเห็นความจริงแต่หนักรู้ความจริงด้วยญาณการรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่รู้ด้วยความคิดแต่รู้ด้วยปัญญาญาณ ที่มาจากสักจจะมาจากความว่างเราจะต้องเห็นความว่างตรงนี้เป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตเราจรึงจะเรียกว่าการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำการงานกับการปฏิบัติก็เป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่สองสิ่งที่แยกจากกันไปนั่งสภาที่ไปทำงานทำการเลยสะกดจิตให้สงบแล้วเราก็เร็วกว่าปฏิบัติไม่ใช่ใช เพราะนั้นโยมต้องเข้าใจว่าปฏิบัติหรือการบําเพ็ญภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรโยมต้องรู้เป้าหมายรู้ว่าวิธีทำแล้วมันจะไปถึงเป้าหมายไหมเป้าหมายคือปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงแล้ววิธีเนี้ยมันจะทําให้มีปัญญารู้ความจริงได้ไหมที่เราไปนั่งสะกดจิตตัวเองให้มันสงบอยู่ก็ลมหายใจ ให้ไปรู้อยู่กับเท้าใส่ ย, ยังหนอฝา ย, ยังหนอจะไปถึงเป้าหมายหรือมีปัญญาที่จะยังรู้ความจริงได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเราจะประดมรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้เนี่ยมันยังเป็นมิติของจิตสำนึกที่มีตัวตนปัญญาที่จะยังรู้ความจริงมันเกิดไม่ได้เลย ปัญญาที่เกลังรู้ความจริงมันเกิดได้เมื่อความรู้สึกของตัวเราหรืออัตตาไม่มีแล้วเท่านั้นตัวตนไม่มีแล้วแล้วยมเห็นมันต่างกันไหมในขณะที่เรารู้ในขณะที่เราเห็นในขณะที่เราได้ยินแล้วขณะที่มันขณะนั้นใจมันว่างเนี่ย ม, มันต่างจากเดิมไหมฮะโยมลองสังเกตใจใหม่นะสังเกตสิ ชำ เ, เรื่องดูมันเห็นไหมไม่มีความคิดเลยตาก็เห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้สัตว์ตัรู้สัตว์ตวตวได้ยินเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องเรียนรู้ความจริงหรือสัจจะหรือประสบการณ์ตรงเนี้ยในตัวเอง ไม่มีประสบการณ์ไม่สามารถจะอธิบายได้ประสบการณ์รูจิตเหนือสำนึกในมิติของความจริงเนี่ยมันอธิบายไม่ได้แต่ประสบการณ์รูจิตสามาญสำนึกเนี่ยเอ้ไอ้คนนี้มันมีประสบการณ์มากอย่างนั้นเรื่องนี้ประสบการณ์กิจสามัญสำนึกคือเรื่องที่แล้วเรื่องที่ผ่านมาแต่ประสบการณ์ในระดับจิตเหนือสำนึกหรือในขณะที่เรากำลังประจักแก้งความจริงเนี่ย เป็นประสบการณ์ตรงแต่ในในทุกขณะในขณะนั้นเขาเ ร, า ร, ร, ารีย ก, ร ป, รกรประสบการณ์ตรงต่อความจริงหรือการประจักษ์แจ้งความจริงประสบการณ์ตรงต่อความจริงหรือการประจักษ์แจ้งความจริงเนี่ยเราไม่สามารถอธิบายได้ในมิติงความจริงเนี่ยภาษามันเป็นสิ่งที่เราสมมุติสมมุติไม่สามารถอธิบายความจริงได้ยิ่งพูดมากยิ่งเลอะ ผูจาท่านถึงบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ชี้ทางนี่นะทางสายกลางแต่สิกามากมีองค์แปดถ้าเธอเห็นทางแล้วเธอก็เดินเธอไปคาตาโรจะทากาตาเราเป็นผู้เพียงผู้ชี้ทางตุงมิฮิกิ จ, จังอันตับังภารกิจเป็นเรื่องของเธอเพราะฉะเราทุกคนต้องเดินทางด้วยตัวเองแล้วเป็นทางสายเปลี่ยวเลยไม่มีใครเดินมากระเราได้ เราจะรู้ว่ามันตรงทางไหมเพราะนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าก่อนอื่นเราจะต้องเห็นทางให้ได้ก่อนถ้าเรารู้จักทางแล้วก็เดินไปตามทางนั่นแหละถูกทางถ้าโยมยังไม่เห็นทางแล้วโยมเดินไปโยมก็ไปไหนก็ไม่รู้อย่างที่ทํากันทุกวันเนี่ยโยมไม่เห็นทางยังไม่รู้ทางเลยแล้วโยมก็ปฏิบัติกันสามวันสีวันเหมือนเดิม มันไปพ้นจิตสามัญทำนึกไม่ได้มันไม่มีทางจะก้าวหน้าเลยไปพ้นจิตสามัญทำนึกที่มีตัวตนไม่ได้โยมไม่มีทางที่จะประจักษ์แจ้งความจริงหรือสสี้ะวนาเยะไม่มีทางที่จะเข้าถึงสัจจะได้เลยเข้าถึงความจริงหรือสัจจะได้แล้วนั่นแหละมันถึงจะค่อยๆละวางความยึดถือต่างๆที่เรายึดถือไว้ ศีลจะขจัดกิเลสอย่างหยาบที่แสดงออกมาทางกายวาจาสมาธิจิตจะตั้งมันอยู่ในความว่างมันจะะจัดกิเลสอย่างกลางที่เลวานิวอนห้าปัญญาจะขจัดอนุสัยความเคยชินที่มันห ม, มักดองอยู่กนบึงของจิยยตใจเละเพราะฉะนั้นไตรสิกานี่แหละที่เป็นส่วนย่อของมรรคมีองค์แปด จุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องอาศัยสติสติแปลว่าเราลึกได้นึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ตอนไหนอ่ะตอนเดินตอนยืนตอนนั่งตอนนอนตอนทําอะไรอยู่นึกขึ้นได้พอนึกขึ้นได้เราก็หันมาชำระใจแล้วเราจะเอาสติตัวเนี้มาทํางานกับปัญญาที่รู้เพราะปัญญายานเนี่ยมันจะไม่รู้แบบแบบจดจ้องที่ใดที่หนึ่งปัญญายานเนี่ยมันไม่มีขอบเขตเจมกัน มันรู้พร้อมยอมลงสังเกตตัวเองกันแล้วกันว่าขณะที่ใจยอมว่างเนี่ยยอมทำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันรู้หมดเลยเท้ามือเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรก็ะพริบตาเนี่ยมันรู้พร้อมเลยแต่ปัญญาด้วยประจักษ์ถ้าเราเอาสติไปจดจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันเป็นการระลึกแล้วรู้ด้วยประสาทสัมผัสเช่นทางตาจ้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดมีขอบเขตจำกัด ทางหูทางจมูกทางนิ้งทางกายไม่รู้แต่เจ้าปัญญาญาณที่มาจากความว่างนี่มันจะรู้พร้อมทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้งทางกายเคลื่อนไหวอะไรเท่าไรมันรู้หมดเลยนั่นปัญญาตัวนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบที่จะทำให้เราละวางความยึดถือจนกระทั่งจิตของเราเนี่ย ไม่ไปยึดติดกับอารมณ์ไม่ไปยึดติดกับความเห็นไม่ไปยึดติดกับสมมติบัญญตัติไม่ไปยึดติดกับพิธีรีตองจิตนั้นก็เป็นอิสระความสุขมันมาจากจิตที่เป็นอิสระตรงนี้เลยโยมเนี่ยความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยมันมาจากจิตที่เป็นอิสระโยมลองทําได้สักครั้งสองครั้งโยมจะรู้สึกมีความสุข ใจมันสบายเบาเนี่ยถ้ามันหยุดนานยี่ส้าเปอร์เซ็นเป็นไงห้าสิบเปอร์ซ็นเไงเจ็ดสิห้าเปเซ็นเป็นไ ง, น ไ, งนไม่ใหม่ยอมไม่ให ม, ม, ม่ยมจะเห็นใจที่มันว่างเนี่ยในขณะที่มันไม่มีความคิดไม่ใหม่ที่เราสังเกตแล้วความคิดหายไปเนี่ยเราจะเห็นตัวว่าเราจะเห็นสัจจะตรงเนี้ย ในขณะที่มันไม่มีแาวคิดแต่สิ่งเนี้ยมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาต่อไปไม่ว่าโยมจะคิดจะพูดจะกระทำทางกายโยมจะเห็นตัวว่างตรงนี้ด้วยตัวว่างตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานลากฐานของการงานของการกระทำในชีวิตประจาวันเราถ้าทำได้อย่างนี้นี่แหละคือการดำเนินชีวิตด้วยอลีมักมีองแปด ที่มีปัญญาหรือสัมมาทิฐิตัวนี้เป็นองค์ธรรมแรกแต่นี้ไม่ว่าจะคิดสัมมาสังกปะพูดสัมมาวาจาสัมมากรรมัตตาสัมมาอจีวะประกอบด้วยความเพียรสติสมาธิสมาธิไปอยู่ข้างหลังสติไปอยู่ข้างหลังแต่ปัญญาอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องเห็นไอ้ตัวว่างเนี่ยตลอดเวลาเลยเนี่ยคิดพูดทําแล้วเห็นไอ้ตัวว่างในตลอดเวลาเลยเป้าหมายของเรา เป้าหมายของการปฏิบัติยี่สิบห้าสเนเจ็ดิห้าอร์ซ็นอยตะต้องเห็นตัวว่างนี่ตลอดไปเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นถ้าโยมยังไม่เห็นจิตที่มันว่างเนี่ยหนึ่งไม่ได้ร้อยไม่มีทางสิบไม่มีทางยี่สิบไม่มีนาเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยโยมชํรเลืองแล้วต้องเห็นใจที่มันว่างตรงนี้ให้ได้จาสภาวะตรงนี้ไว้ว่าขณะที่ใจไม่มีความคิดเนี่ย โอ้มันสบายเบานั่นแหละตัวตนมันไม่มีแล้วเราจะพัฒนาตัวเนี้เห็นตัวเนี้ให้เป็นฐานของการกระทําในชีวิตประจาวันเดินยืนนัง่งนอนทะไรเห็นจิตมันว่าทำไรซักเสื้อสักผ่าน้าอาบเห็นตัวว่างนี่ด้วยพูดพูดอยู่เนี่ยเห็นตัวว่างด้วยนี่ยากขึ้นมาแล้วคิดคิดแล้วเห็นตัวว่างด้วย ตรงนี้ยิ่งละเอียดมากยิ่งยาก เ, ยเพราะฉะนั้นพระอาหารหัน์ในพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่มีตัวตนเลยตลอดเวลาเนี่ยท่านจะต้องเห็นไอตัวว่างตรงเนี้ต้องเห็นสัจจะตรงนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งหลวงพ่อได้พิสูจน์มาแล้วยี่สิบปีเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีเนี่ยอยาการที่หลวงพ่อเริ่มโดยการเห็นสภาวะจิตที่มันว่างตรงเนี้ ถ้าเราไม่เห็นล่ะถ้าเราไม่ได้ดูวนนึกไม่ได้นึกไม่ได้ก็ไม่ได้ปฏิบัติโยมจะไปนั่งปฏิบัติไป้วไม่ใช่โยมจะ ป, ปฏิบัติไ้ตอนที่นึกขึ้นได้สติเกิดและชำเลืองดูแค่นั้นน่ะคือปัจจันปฏิบัติปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะเจริญทำให้เรานึกใหม่ๆนานๆนึกวันๆนึงนึกได้หนัอวน สิ่งดีวสิ่งใดที่เราใส่ใจแต่ทาให้เรานึกได้บ่อยขึ้นได้พระมาองค์ได้อะไรมาอย่างมันชอบใจดูมันอยู่นั่นแหละสนใจอยู่นั่นน่ะเพราะนั้นเราจะต้องมีฉันทะมีความอิ่มใจสุขใจที่เราได้เห็นจิตหรือตัวตนที่แท้ของเราเนี่ยโอ้เจอทางแล้วเห็นหนทางแล้ว เราก็เดินไปเจตนียเดินไปบนน้างเดินยืนนั่งนอนทําอะไรตอนไหนไปด้วยเห็นใจที่มันว่างไว้ด้วยไมย่ใหม่มันรู้เดี๋ยวเดียวหยุดเดี๋ยวยดเดีย ว, ยวต่อไปมันจะหยุดนานขึ้นพอมันหยุดนานขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตของเรามีพลังอยังเป็นสมาธิหรื อ, อยังเนี่ยต่อเมื่อเรากระทบอารมณ์อะไรต่างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราเฉยได้ใครดา่าใครชมเราเฉยได้นั่นแหละจิตมันมีพลังแล้ว เราจะฝึกการสังเกตตัวนี้จนมันมีพลังไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่เดือนสองเดือนไม่ใช่ปีสองปีโยมเน่ยตอนนี้แหละมันจะเป็นตัวสกรีนเป็นตัวคัดว่าคนให้จริงไม่จริ ง, รงถ้าไม่จริงเดี๋ยวก็เลิกเบื่อมันไม่เป็นง่ายๆสิถ้ามันเป็นง่ายๆสามวันเจ็ดวันเดือนสงบแล้วสามเดือนกันแล้ว เจ็ดเดือนกันแล้วสามปีกันแล้วยังไม่มีพลังที่เบื่อเนี่ยคนมันคือศรัทธามันยังไม่มั่นคงก็ถึงบอกว่าขอเพียงศรัทธายอย่างลงสู่ก้นบึงจิตใจยอมเป็นมัเค้าวิกีไปตลอดการยอมจะต้องมีศรัทธาสดสัจจะต่อความจริงตรงนี้นี่คือธรรมชาติแท้ของเราเนี่ยเราจะปฏิบัติไปบนธรรมชาติแท้ของเรา หรือปฏิบัติไปบนจิตประพัสสอนของเราสมัยหนึ่งพระเจ้าอยู่กับสาวกกลุ่มหนึ่งท่านจัดว่าดูกคนพิสูจน์ทั้งหลายจิตทังเราเนี่ยมันประพัสสอนอยู่นะผ่องแพ้วอยู่นะอุปกิเลสต่างๆเนี่ยมันเหมือนอาคัตรตุกกาจอมาทำให้ใจเราเศร้าหมองชัว่วคราวประพัสละมีทางจิตทางพิการ การจะขออาการตุเกหิอ hmm. ุปกิเลสิอุปก so, ิเลตังย him ิงนึกแล้วมันพระพศสอนอยู่ปกติอยู่แต่เราไม่เคยสังเกตมันด้านนี้เพราะฉะนั้นในหลักใจสิทธิขาก็คือการเรียนรู้ศึกษาศึกษาคือการเรียนรู้เรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วเราจะเข้าใจคนรอบข้างในครอบครัวถ้ามีคนเข้าใจตัวเองสักคนเนี่ย ครอบครัวก็ไม่ทะเลาะกันใครมนั่งด่าคนเดียวได้ชั่วโมงไม่มีที่ทะเลาะ ก, กันเป็นชั่วโมงเนี่ยเพราะมันต่างคนต่างดา่าใช่ไมไม่มีใครด่าได้เกินห้านาทีสิบนาทีวันนิ่งป็นไงไว้คนนี้นี่แต่ก่อนคือทะเลาะ ก, กันทีนี้เขาด่าแล้วก็นั่งเฉยยิ้มสงสัยจะกินยาผิด้องนะคะ <laughs> มันจะเปลี่ยนไปเลยโยม เพียงโยมเห็นจิตใจที่มันว่างเนี่ยจะไม่ถอยหลังไปสู่สิ่งที่มันไม่เคยเห็นนี่แล้วแต่เนี้ยมีแต่จะลุ่มนึกขึ้นเรื่อยมีแต่จะว่างมากขึ้นเลยพอสตียรมานึกขึ้นได้เราก็เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือสังเกตเรียนรู้หรือดูมันแค่นั้นดูมันเฉยเฉยไม่ต้องไปสรุปว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงมันไม่เที่ยงมีตัวตนนไม่มีตัวต น, ม น, มตตนไม่ต้องไม่ต้องใช้กระบวนการความคิดไปสรุปมัน ไม่ต้องไปหาความไม่มีตัวตนของมันเพราะความคิดมันหายไปตัวตนมันก็หายไปแล้วอย่าไปสรุปว่ามันเกิดมันดับไม่ต้องเราไม่ได้ไปหาความไม่มีตัวตนของความคิดเราไม่ได้ไปหาความไม่มีตัวตนของอะไรทั้งนั้นเราต้องการจะเรียนรู้ความจริงของตัวเราเนี่มันเป็นยังไงที่ปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่เห็นความจรงิงการปฏิบัติหรือการเรียนรู้นี่แหละ จะทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาอย่างรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อมันรู้ความเป็นจริงแล้วมันก็ละวางความยึดถือต่างๆใจของเราจะเบาสบายขึ้นเป็นอิสระขึ้นแค่นั้นและสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยผลของการปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสัจจาก็มีอยู่แล้วในตัวเรานี่มีอยู่แล้ว เราไปเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วพิจาราทรงเปิดของที่มันคว่ำอยู่หงายของที่มันคว่อยู่ให้มันเห็นแค่นั้นเอง ว, วิธีที่เราจะพัฒนาจิตขอเราให้ไปพ้นจิตสามัญดำานึกที่มีตัวตนเนี่ยเราก็ทำได้รูวม ก, กับการทำงานในวิปัสสนา เดินยนนืนอนั่งนอนทําอะไรต อ, อะไรอยู่นึกขึ้นได้จำเนือมดูอาบน้ำอาบท่าหุงข้าวหุงปลากวาดบ้านทําอะไรนึกขึ้นได้จาเนือมดูแค่นั้นอ่ะต่อไปการจาเนือมดูหรือการเห็นใ้ตัวว่างเนี่ยมันจะร่วมกับการงานในชีวิตประจำวันของเราเราทำงานอะไรตอนไรอยู่แล้วก็เห็นไอ้ตัวว่างนี้ด้วยเราจะทํางานอย่างไม่มีตัวตนมันถึงจะเป็นงานที่สนุกมันถึงจะเป็นสุขกับการงาน ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแต่งมาเนี่ยทำงานให้สนุกเป็นสุขการงานทำงานรูปการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเราก็ปฏิบัติได้ทั้งวันเลยใช่ไหมยกเว้นเวลานอนนั่นเองเดินยืนนังน่งนั้นขอให้นึกขึ้นได้โยมถ้านึกไม่ได้ถ้านึกไม่ได้ก็ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยโยมลงไปปฏิบัติ ด, ดูนะ หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อมีหนังสือมาแจกหนังสือเนี่ยเรื่องนิพพานเนี่ยโยมเห็นจิตตัวเองแล้วโยมจะเข้าใจในหนังสือที่หลวงพ่อเขียนแต่ถ้าโยมยังไม่เห็นจิตตัวเองยังไม่เห็นใจที่มันว่างเลยยังไม่รู้จักมิติของจิตเหนือสํานึกหรือมิติของความจริงเลยโยมจะอ่านหนังสือเล่มนี้ของพ่อไม่เข้าใจเลย หนังสือเล่มนี้เขาวางตลาดอมาินก็เอาไปแปลวันนั้นหลวงพ่อไปเทศเพียอมาลินก็ให้มาทำสิบเล่มทำมาแจกโยมอำมาินก็เอาไปพิมพ์ไว้สามเล่มแลวส่วนมากหนังสือหลวงพ่อเนี่ยคนอ่านไม่เคยรู้เรื่อง <laughs> แม้จะเป็นนักปฏิบัติก็ตามโยมรู้ไว่า คำสอนของพุทธเจ้าแปดหมื0นสี่พันสองพันกปีอาจารย์เขียนอะไรอะไรไมาเยอะมันกว้างใหญ่ไพศาลมันมากมายเหมือนกับมหาสมุทรเนี่ยเอาเข็มโยนไปในมหาสมุทรเนี่ยยากที่จะงมเห็นงมเข็มนี่เจอ แต่หลวงพ่อกล้าพูดได้เลยว่าหลวงพ่องมเข็มงมเข็มเจองมเข็มในมหาสมุทรเจอหลวงพ่อปฏิบัติมาสิบห้าปีไปวัดโน้นวัดนี้กำหนดต่างๆสงบบ้างไม่สงบบ้างดีนะมันไม่เบื่อซะก่อนเนี่ยอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้าง ก็ไม่เจอไม่เคยมีอาจารย์องค์ไหนบอกให้มาชำเนืองดูจิตใจเลยหึ่งพ่อเข้ามาบวชแล้วหลวงพ่อตายดาบนาล่ะฮะแสวงหายมันจริงๆอย่างพุทธเจ้าฉลาบ้านฉลาเลียนเข้ามาก็มีเวลาเป็นขอตัวเองเดินๆอยู่วันนี้ทำไมความคิดไม่มีเลย ใจว่างไม่รู้พร้อมเดินยืนทำอะไรต่ออะรรู้พร้อมพวกรู้มันในใจเองเลยว่าโอ้นี่แหละคือสิ่งที่เราแสวงานี่คือธรรมอะไม่มีใครบอกดีใจอิ่มใจแม้ร้องไห้เลยใช่ไหมโยหหามาต้งนมต้องนาอ่านหนังสือเป็นตู้ตเลยนะโอ้หนังสือของท่านอาจารย์พุทธตานเนี่ยสักร้อยเล่มจะได้มั้ง ธรรมโคดเนี่ยหูเล็มขนาดนี้ไม่เคยเจอสภาวะจิตที่มันว่างแล้วพอตอนหลังความคิดมันเข้ามาเราก็อยา ก, อยากให้มันว่างวันนั้นไม่รู้มันว่างด้วยเหตุปจัจจัยอะไรมันวันหลังนี่เราก็อยากให้มันว่างอย่างนั้นมันไม่ว่างเลยตอนนี้ยิ่งอยากยิ่งไม่ว่างปฏิบัติเดินโจงกลมนั่งสมาธิก็ไม่ว่างเออเราไม่รู้วิธี จนกระทั้งหลวงพ่อมาเจอในพระไต่ปิดดกตั้งปีกว่าหลวงพ่อตั้งชื่อเนะโอโคไม่รู้ก่อนเลี้ยงยาจำเนงลูลูกน้อยแม่โคเล็มยงยาจำเนงลูกลูกน้อยหลวงพ่อตีความหมายว่าจำเนงลูลูกน้อยเนี่ยจำเนงดูใจพ่อมหาญาตก็บอกโคเนี่ยโคขิดใจเหมือกัโมตะขี่โคตามหาโค ก็คือใจของเราเนี่ยมันว่างอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วมหายาณขึ้นบอกวชลิลยานก็บอกโอมานีปัตเมหูเรามีเพชรมณีอยู่ในมือแล้วคาถาหัวใจเจ้าแม่กวนอิม่มโอมานีแป๊ะเมหูเห็นไหมโอมานีแปะเมหูคือดีนะเนี่ยคาถาหัวใจของเจ้าแม่กนอิม ก็คือเราเนี่ยมีจิตประภัสสรจิตที่ปกติอยู่แล้วนยยนเนี่ยมาหยาดกันนิดหน่อยไอ้โคเนี่ยคือใจมึงกับ ม, มอมตมวามอตขี่โคตามหมาโคขี่โคไปด้วยตามหมาแสวงหาธรรมะอาจารย์โน้นอาจารย์นี้แต่ไม่รู้นะ ว, ว่าธรรมะอยู่ที่ใจด้วยธรรมะอยู่กับใจตัวเองนี่ไม่รู้วิธีที่จะ แต่มหาญาณนี่เขาจะใช้ปริศนาธรรมแต่เทลาวาลัตเราเนี่ยอริยสัจสีเนี่ยคือหนทางอริยสัจสีข้อที่สีเนี่ยคือหนทางแต่เวลาเราปฏิบัติกันเนี่ยเราไม่ได้เอาตรงนี้ไหมมีบางอาจารย์ย่างอาจารย์สุดจิน พอท่านโพธิลักษ์ท่านก็พูดถึงโคไม่หลอกอ่อนเลีย้ยงญาชั่มเลียงดูลูกน้อยแต่ท่านตีความหมายไปในคนละอย่างชั่มเื่องดูคนอื่นเขาด้วยถ้าเขาปฏิบัติผิดก็ช่วยอ น, นิเคราะห์บอกเขาอาจารย์ทุจินนี่ยิงก็หูเลยนะท่านตีความคือในพระไตรปิฎกเขาไม่ได้อธิบายอะไรหรอกเรามาตีความเอาไปคนละอย่างสองอย่างอย่างพุทธพจน์ต่างๆเนี่ย จิตตังและเคธเมทเวีปราดย่อมตามรักษาจิตทั้งตนเนี่ยหลวงพ่อได้ยินอาการหลายหลาคนตามรักษาจิตทั้งตนก็ตามดูความคิดเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเทียเท่ยงมันไม่เที่ยงสรุปว่ามันไม่มีตัวตนนี่ก็มาจากพุทธพจน์อันเนี้ยติดตั้งและเคธเมธเวีปราดย่อมตามรักษาจิตทั้งตนไปตามดูจิตไปตามดูความคิดแต่หลวงพ่อตีความหมายอย่างหนึ่งติดตั้งและเคธเมธเวตีปราดย่อมตามรักษาจิตทั้ง ตามรักษาจิตตรงตนตามรักษาอะไรโยมเข้าห้องน้ำโยมเห็นไหมช่วยกันรักษาความสะอาดแสดงว่าความสะอาดเนี่ยมันมีอยู่แล้วความสุขก็ปลุกมันมาทีหลังช่วยกันรักษาให้ใจของเราเหมือนกันใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วตามรักษาความเป็นปกติตรงนี้ไว้ที่โยมนึกขึ้นได้และสังเกตนี่แหละคือการตามรักษา ความเป็นปกติโยมไม่เห็นมันหรอกโยมไม่สามารถจะไปดูมันเห็นแลวความคิดพอสังเกตปั๊บโยมเห็นนั่แหละก็เห็นความว่าเห็นความเป็นปกตินั่นแหละตามรักษาไอ้ตัวที่เป็นปกติไอ้ตัวว่างๆตรงนั้นไว้นี่หลพอตีความหมายในทัศนะหรือในเชิงที่เราพิสูจน์ได้โยมที่มาใหม่ เคยสังเกตจิตใจบ้างยังเคยไะมสังเกตแล้วเป็นไงมัง้งเห็นว่าเคยเห็นมันดับว่า <c oughs> เอาใหม่ไหนยมบางคนยอยมอาจจะมาใหม่ไหนยมที่มาใหม่นัยังไม่เคยสังเกตใจตัวเองเนี่ยลองให้ใจยาวๆให้ใจลึกๆนะให้ใจยาวๆให้ใจยาวๆว่าผ่อนคลายเบาสบาย เห็นไมเบาสบายหมหให้ใจ ย, ย, ยาวๆขณะที่เราให้ใจ ย, ย, ยาวๆเนี่ยโยมโยมลอนสั ง, สงเกตดูสิไม่มีความคิดเลยตาก็ยังเห็นหูก็ได้ยินรับรู้อยู่เนี่ยถือว่าเราเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยขณะนั้นไม่มีสิ่งที่ถูกรูก้ไม่มีผู้รู้มีแต่เพียงการเห็นการได้ยิน เมื่อตอนหลวงพ่อบวชเข้ามาใหม่ๆนะหลพ่อพบลูกศิษย์ของกิชนาโมรตียอมรู้จักกิชณาโมรตีไหมรู้จักไหมไม่รู้จักแสดงว่ายอมไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเดม๋มาจักนะกิชณาโมรติเนี่ยเป็นเป็นชาวอินเดียไปเดินอยู่ชายหาดตอนนั้นอายุยังเด็กๆอยู่พวกเทววิญญาณต่างประเทศเนี่ย อย่างไหนก็ไม่รู้นะต่างประเทศเขาไปเที่ยวที่อินเดียเขาก็ไปเจอเด็กคนนี้เขาก็เห็นหงุ่งเฮงของเด็กคนนี้โอ้เด็กคนนี้เนี่ต่อไปเขาจะเป็นคุลุของโลกเขาก็ขอพ่อแม่เด็กเอาไปเลี้ยงสมาคมก็เป็นสมาคมเทววิญญาณมีคนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเป็นพันๆคนเขาต้องการจะเอากิชลโมติเนี่ย ตัจะรู้แล้วให้เป็นกุลุของโลกเป็นพระีอารเลยํำนองนี่ยตอนหลังพระกิจณมูจิได้บรรลุความจีิเนี้ยท่านไม่เอาเลยท่านยกเลิกหมดไม่ยอมไปสาจดากลัวคนจะมาติดกลัวคนมาติดวิธีการน้องท่านถามท่านว่าท่านบอกว่าไม่มีทางหรอก แต่ของเรามันมีทางนี่นะทางชี้กลางใจชี้ขามักนิ่งแปดมหายาติก็ไม่ไม่มีทางนะก็ใช้ปิจชฌาธรรมเป็นหนทางสู่กันบรรลุศาสนาอื่นบางทีเขาใช้ศรัทธาเพราะฉะนั้นหนทางเนี่ยไม่ว่าใครจะทําวิธีไหนก็ตามหลวงพ่อไม่ได้ถือว่าผิดนะไม่ใช่ทําอย่างโน้นผิดทําอย่างนี้ผิดอ ะ, อ, อะไรต่างๆ ในพระแต่พิโดกก็มีทั้งสี่สิบอุบายคือจะทําอะไรก็ได้ให้มันไปพ้นจิตสามันจำเนืกอเแล้วกันถ้ายังไปไม่พ้นจิตสามันจํานึกยังมีสิ่งที่ถูกรู้ยังไม่ผู้รู้อยู่เนี่ยถือว่ายังไม่เห็นทางยังไม่พบทางยังไม่เริ่มต้นของการบำเพ็ญภาวนาเพื่อจะให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงยมจําไว้เลยว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ ที่เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งยังรู้แตะหนักรู้หรือประจักษ์แจ้งความจริงปัญญาตัวนี้มันได้มาจากความรู้มันได้มาจากความคิดแต่มาจากสัจจามาจากความว่างเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เห็นจิตใจของเราว่างเนี่ยปัญญามันจะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็คือเดินยืนนั่งนอนทํางานทำการ น, นึกขึ้นได้เฉลียงดูและเห็นใจมันว่า ทำงานไปในขณะที่ใจว่างพูดในขณะที่ใจว่างทำอะไรต่วอะอยู่ในขณะที่ใจว่างโยมไม่ต้องทำอะไรให้มันใจว่างหรอกโยมไม่ต้องไปทำมันกำหนดหรืออะไรตัวอะไรเพียงโยมชำเรเลือดดูแค่นั้นแหละใจมันก็ว่างแล้วชำเรเลือดดูเท่านั้นโยมจะไม่เห็นแล้วความคิดมันว่างแล้วแต่นี้มันใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานมันอยู่ได้เดียวๆโยมก็ต้องมีความอดทนนะ ในโอวาทปาติโมกเนี่ยขันติปรมังตโพติติกะพุทธาเอาขันติมาเป็นคำสอนแรกเลยนะในโอวาทปาติโมกเนี่ยขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผาเกล็ดอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานเป็นธรรมอันยิ่งเนี่ยในโวทปาติโมกเพราะนั้นถ้าโยมไม่มีขันติไม่มีความอดทน ไม่มีความเพียรเนี่ยยากยากที่จะสำเร็จเพราะโยมลองคิดดูที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบลุงพ่อเห็นสิ่งนี้เมื่ออายุห้าสิบห้าโยมก็จะได้เห็นความว่างเนี่ยอายุห้าสิบห้าเดี๋ยวนี้อายุเ9็ดสิบเก้าแล้ว ยี 24, ่สสี่ยี่สิห้าปีที่หลวงพ่อเพียนปฏิบัติอยู่ในที่หลวงพ อ, อยู่คนเดียวยู่ในสวนหวพ่าเมื่อชอบอยู่วัดอายุมากแล้วก็เลยเพียนอยู่กับสิ่งนี้อยู่ก็จิตที่มันว่างว่าหาหนังสือเขียนหนังสือทําอะไรต่ออะไรสังเกตจิตเพราะมันมีพลังแลยในโะยมไม่ต้องสังเกตแล้ว โยมก็รู้่าคนบึงใจเลยสงบนิ่งเฉยเพราะมันมีพลังลเนี่ยเจ้าตัวรู้ปัญญาญาเนี่ยมันจะแร่ขยายครอบคลุมทุกสิ่งเลยกาบียังรู้จักกาบีไหมเดี๋ยวรู้จักไหมกาบีก็เป็นผู้รู้คนหนึ่งเป็นเป็นคนเป็นคนฮินดูแล้วอิสลามเอาไปเลี้ยงอืม กามีบรรลุธรรมท่านบอกว่าตอนบรรลุธรรมใหม่ๆเนี่ยตอนเข้าถึงความจริงใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับไอ้หยาดน้าค้างเนี่ยมันหล่นไปในมหาสมุทรไอ้ความรู้สึกว่าตัวตรงเราเนี่ยมันเหมือนหยาดน้ําค้างเนี่ยมันหายไปในความกว้างใหญ่ไพศาลของความว่างพอท่านปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอใกล้จะตายเรียกลูกชายมาเฮ้ย เพงช่วยไปแก้คําสอนของพ่อหน่อยวะแต่ก่อนเนี้ยพ่อเขียนไว้ว่ามันเหมือนหยาดน้ําค้างลงหล่นไปในมหาสมุทรช่วยไปแก้กลับกันหน่อยแก้ว่าพระแก้ว่ามหาสมุทรมันหล่นไปในน้ําค้างนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติไปนานขึ้นเลยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยคือความว่างเราเนี่ยคือความว่างเหมือนมหาสมุทร แต่นี่ไม่ว่าจะทำอะไรรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไ้ความว่างตรงนี้มันจะทำงานร่วมกับการกระทําของเราด้วยการเหิดการได้ยินมันเหมือนกับความว่างหล่นลงไปในสรรพสิ่งเรามีส่วนหนึ่งเรามีส่วนของความเป็นสรรพสิ่งเ ร, เรามีเราเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสรรพสิ่งนั่นคือคาสอนกาบี ยัไม่รู้จัเยัยไม่ก็ได้ศึกษาลุง พ, อองพ่ออู้ลุงพ่ออ่านหนังสือเยอะแยะเลยของวัดรละยานของท่านนาคานชุนนาคานชุนท่านวิภาคท่านธรรมกูศาสาจารย์ท่านวิภาคอภิธรรมในขณะที่คุณพิจารณาใจลักเห็นมันเกิดเห็นมันดบับเห็นเทียงไม่เทียงขณะนั้นคุณไม่ได้เห็นจิตคุณหรอกเพราะคุณกำลังคิดอยู่ น า, นาคาชุนเนี่ย น, นิกายเมื่อประมาณาพศแปดร้อยเมื่อพศประมาณแปดร้อยท่านวิจารณ์ท่านวิจาน์อภิธรรมว่อการพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่รู้ดีญาน แต่การอย่างรู้เนี่ยมันจะต้องรู้โดยยานรู้ความจริงเนี่ยมันจะต้องรู้โดยยานนี่หลวงพ่อเอาอาจจะคําสอนของอาจารย์ต่างๆมาบอกอยานโยมสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อพิสูจน์ได้หรือมีในคําำมีในพระไตรปิฎกที่เป็นเพชรเม็ดงามในไตรปิฎกก็คืออย่าเชื่อพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อ แม้จะเป็นครูบาอาจารย์แม้จะสอดคล้องกับความเห็นของเราการมสุดที่โยมพูดวันนี้ที่อาตมาพูดหลวงพ่อพูดวันนี้ก็โยมอย่าเชื่อโยมต้องเดินทางด้วยตัวเองแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองปัญญาสตานจะเกิดด้วยตัวเองความเชื่อมัน่นที่เราประจักษ์แจ้งความจรงิงที่เข้าถึงความจริงนั้นด้วยตัวเอง ยิ่งจะเป็นความกติใจที่แท้จริงแต่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ที่หลวงพ่อปฏิบัติมาหลวงพ่อไม่เชื่อใครแต่หลวงพ่อศึกษาของคนโน้นคนนี้ความเห็นของท่านคนโน้นค น, นนี้นเคยอ่านหนังสือของท่านโอโชไหมโอโชตั้งวิภาควิจารณ์พุทธเจ้าวิภาควิจารณ์กิจณมโติวิภาควิจารณ์คนโน้นคนนี้ยอด เกื้อชียาอะไรต่างๆเนี่ยเราชื่อคงชื่อท่านว่ว า, วาทําให้เราได้เราไม่เคยรู้เลยทาให้เราได้รู้คําสอนของอาจารย์ต่างๆที่เป็นผู้รู้กิชนาภูติก็จริงจังเกินไปโท่านท่านวิการนะ <S <S ไม่มีตลกปลุกฮาเลยกิชนาภูติจริงจังมากหลวงพ่อเจอลูกศิษย์ ของกิชณะโมติตอนเข้าโมาบุดใหม่เขาบอกหลวงพ่อเชื่อไหมเทระวาดเราเนี่ยพิจารณาใจรับรูปน้ำรูปไม่เกี่ยงเห็นมันเกิดเห็นมันดับตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่รู้อะไรนะแต่ท่านกิชณะโมติเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีรูปน้ำไม่มีรูปไม่มีน้ำให้พิจารณาหลวพ่อยังจําได้ no observer ไม่มีผู้สังเกต no, no observed ไม่มีสิ่งที่ถูกสังเกต j u s only observation มีแต่เพียงการสังเกตมันเหมือนในประไตรปิฎกของเราเห็นกระสับกระสับเห็นได้ยินกรสัตกระสับได้ยินไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้เห็นมีแต่การเห็นการได้ยินโสดคล้องกันนะนี่ เราเอาสอนอผู้รูดต่างๆเนี่ยมาสอนท่านสินเศร้าเขียนสล็กให้อาจารย์กายของเราคือต้นโพใจของเราคือกระจกเงาใสฉะนั้นมันเค็ดถูอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้ฝุ่นมันจะมาลงจับกระจกได้ยังไงอาจารย์ไปเห็นสล็อกของสินเท้าก็เรียกสินเศร้ามาเอ็งมาถึงธรณีประตูตั้งนานแล้วยังไม่ข้ามธรณีประตูเลย ท่านเวรหลางไม่รู้หนัสือเลยไปตามข้าวอยู่ในครัวเวยหลางก็มาเขียนสโลกหนึ่งเขียนหนังสือก็ไม่เป็นนะให้เพื่อนเพื่อนช่วยเขียนไม่มีต้นโพไม่มีกระจกแล้วฝุ่นมันจะไปจับอะไรถ้า <c oughs> สังกปริญโญองค์ที่ห้าก็เรียกเวยหลางมาและก็มอบไตรจีวร ครื่องหมายของสังคปรียโยคองที่หกให้เวรหลงังแล้วก็บอกให้หนีไปคนอิจฉามันจะทํร้ายเอาเราก็มาพิจารณาว่าสโลกของเวรหลางนะ่ะท่านไปพน้นการรับรู้อย่างแบ่งแยกแล้วไม่มีลูกไม่มีนามแล้วไม่มีต้นโพไม่มีกระจกสินเซานี่ยังเป็นต้นโพยังมีกายมีใจอยู่แต่เวรหลางเข้าถึงความว่างแล้วไม่มีแล้ว มหยายานก็จะเน้นการเข้าถึงไอ้ตัวตัวว่างเนี่ยจิตเดิมแท้จิตหนึ่งเทระวาดเราก็จิตประพสสอนเนี่ยหลวงพ่อเอามาอ่านแล้วเราก็มาได้ความรู้โอ้เทียบกัน mm hmm. พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าที่พันธ บ, บัตรยังไม่พักไม่เพียรไม่ชมไม่ลอยนี่ก็มาจากความก้าใจที่ว่าพักเพียรชมลอยสูงต่ำํำขาวเนี่ยมันยังเป็นทวิภาวะ ยังเป็นเหตุผลยังเป็นของคู่ไม่มีพักไม่มีเพลงก็คือสภาวะจิตที่มันว่างนั่นเองแต่ของเถรวาตเรามีวิธีโคไม่เลงก่อนเล็มหญ้าชำเลืองดูลูกน้อยไม่โคเล็มหญ้าไปชำเลืองดูลูกไปทุกครั้งที่เราชำเลืองใจิตใจมันจะเป็นยังไงออยมชำเลืองเห็นจิตตัวเองว่างได้อย่าง แล้วก็รู้ที่ใครก็จะไปรู้เดือนกับเราอ่ะเราต้องรู้ตัวเองว่าขนาดเนี้ยใจเราไม่มีความคิดเลยเอาไหนโยมลงให้ใจยาวๆนี่ให้ใจลึกๆให้ใยาวๆแล้วดูซิมีความคิดนะดีไหมเห็นไหมมันว่างอ่ะโยมไม่เห็นไห ม, เ, ห ม, ไ ม, เ, หมเราความคิดเนี่ยมันว่างขนาดที่ใจไม่มีความคิดเนี่ยตาเห็นี่เฉยได้ยินนี่เฉยเนี่ยจุดเริ่มต้น ไปพุ่นจิตฉามานันจำนึกแล้วเราเคยรับรู้อย่างนี้แต่เราไม่เคยสังเกตมันเนั้นเองเราไม่เคยสังเกตใจเราแล้วถ้าเรารับรู้ได้อย่างนี้นะมันจะเบาผ่อนคลายรีแ ล, ลกผ่อนคลายเนี่ยถือว่าได้จุดเริ่มต้นแล้วถ้าเห็นจิตที่มันว่างเนี่ยนะตรงที่นึกขึ้นได้ไหนแหละก็เรียกสตินึกขึ้นได้แล้วก็จำเรืองดูใจแล้ว อืมไม่ใช่โยมไม่ต้องไปโยมไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมหายใจเลยที่หลวงพอ่อใช้ลมหายใจตอนแรกเนี่ยให้หายใจยาวๆนเนี่ยแล้วไม่ต้องไปตามดูลมนะหายใจลึกๆเนี่ยหลวงพอ่อต้องการจะให้เห็นใจที่มันไม่คิดอย่าไปกําหนดรู้อะไรเลยไม่ต้องกําหนดรู้อะไรเลยไม่ต้องไปกําหนดรู้ที่เ้าลูกแกว้วลมหายใจถ้าเราไปกําหนดรู้สิงใดสิงหนึ่งมันจะมีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้ผู้รู้ก็คืออัตตาล แม้จะสงบปัญญาที่จะรู้ความจริงมันเกิดไม่ได้ปัญญาที่จะรู้ความจริงมันเกิดจากความว่างเกิดจากสัจจะมันถึงมีอยู่ได้ตลอดเวลาไงเพราะสัจจะเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอมตะสัมมาทิติในมัคคิยองแ์ดเนี่ยก็คือปัญญาที่มาจากสัจจะนี่แหละมันไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไม่ได้มาจากเหตุจากปัจจัย พระอรหันต์จึงไม่มีตัวตนตลอดเวลาผู้ที่จะไม่มีตัวตนตลอดเวลาจะต้องเห็นสภาวะของความว่างหรือจัดจ๋าเนี่ยตลอดเวลาเลยนะต้องเห็นตลอดเวลาเราเห็นแป๊บหนึ่งเราไม่มีตัวตนแป๊บเดียวเห็นนานขึ้นไม่มีตัวตนานานขึ้นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยสําคัญมากเลยแต่โยมจะมีสิบมีร้อยมีพันเนี่ยมันต้องเห็นหนึ่งมีหนึ่งกำเนืองแล้วเห็นใจมันว่างเนี่ยโยมไปทําตรงเนี้ย ย่มจะเริ่มเปลี่ยนแปลงคุณพระบุติบอกให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดทั้งหมดอย่างถอนลากถอนโคนคือคิดอย่างไม่มีตัวตนเป็นผู้คิดนั่นก็คือเราจะต้องเห็นไอ้ตัวว่างเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำนี่คือการละถอนลากถอนโคนกระบวนความคิดในระดับจิตสามัญตั้มนึกต้องเห็นตัวว่างเนี่ยเป็นพื้นฐาน แล้ยมจะมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจมีฉันทะเมื่อมีฉันทะก็ความเพียรก็ตามมาสติมันก็ตามมาแน่นอนสองตุง้มครึ่งและโยมมีคำถามอะไรไหม ใหม่ๆเนี่ยขณะที่โยมคิดโยมไม่สามารถจะเห็นไใ้ตัวว่างได้ต้องจิตตั้งมั่นอยู่ในความว่างแล้วมันถึงจะเห็นใหม่ๆเอาอย่างนี้อามักมีองแปดไปปฏิบัติเดินยืนนั่งนอนทําอะไรตอนอะไรอยู่นี่ทางกายไหมกระทาทางกายเนี่ยเห็นใจที่มันว่างด้วยเนี่ยอามักมีองแปดปฏิบัติเลยนะทําอะไรตอนอะไรทางกายเนี่ย เฉลิงดูใจแล้วมันว่างทําไปอย่าไปหยุดทํำนะซักผ้าล้างจานทําอะไรแต่อไรเห็นใจว่างหมดเลยพอมันมีพลังแล้วว่างนานแล้วเนี่ยในขณะที่โยมพูดเนี่ยจะเห็นในตัวว่างเลยนี่มันใกล้ชิดกันมากแหละขณะที่พูดก็เห็นตัวว่างคิดแล้วเห็นตัวว่างนี่ยยิ่งชิดกันมากเลยมันที่เดียวกันเลยแต่ฐานของมันคือความว่างเป็นลากฐาน ก็บอกมนุษย์เราเนี่ยมีรากฐานอันยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วไอ้รากฐานอันนี้คือหนทางที่จะทําให้สัตว์เข้าถึงความบริสุทธิ์อักขังฐานังมนุษย์เสีสูมักขังสัตตานังวิสุตติยาไอ้รากฐานหรือไอ้ความว่างตรงเนี้มันยิ่งใหญ่มีอยู่แล้วในมนุษย์และไอ้รากฐานอันยิ่งใหญ่นี่จะทําให้สัตว์ เข้าถึงความบริสุทธิ์จะมหัศรีษานมากเลยพศูนย์เนี่ยแต่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยโอ heavy, ้โหพศูตร์นี้มันยิ่งใหญ่จริงๆเลยมันมีอยู่แล้วความว่างเนี่ยมีแล้วในคนเราทุกคนเนี่ยมนุษย์เท่านั้นที่จะมีตรงเนี้ยมันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วความยิ่งใหญ่ที่เป็นรากฐานตรงนี้แหละจะทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ ในตัวเราเนี่ยมันมีทั้งเปรตสุรกายสัตว์ในชารมนุษย์เทวดาวมีทั้งหมดอยู่ในใจเราเนี่ยเนี่ยสัตว์พวกนี้เกิดจากคามความคิดปรุงแต่งเนี่ยจะทำให้สัตว์เหล่านี้เข้าถึงความบริสุทธิ์เพืก่กลายเป็นแหล่กลายเป็นโพธิสัตว์สัตว์ที่เข้าถึงโพธินี่คือแนวทางที่หลวงพ่อมีประสบการณ์มา20กว่าปีแล้วมาชี้แนะยันย้น อยากประสบการณ์เรนนี้หลวงพ่อไปต้องดูแล้วหลวงพ่อพูดหลวงพ่อทำอะไรต อ, อะไรเพ่อก็เห็นไอ้ตัวนี้มันว่างเป็นฐานเป็นรากฐานของของการดำเนินชีวิตนั่นแหละบ้านเราอยู่ที่นั้นเรามาจากความว่างแต่ก่อนไม่มีตัวเรามีสิ่งปรุงแต่งเกิดทาเป็นตัวเราชื่อนั้นชื่อนี้วันหนึ่งสิ่งที่ปรุงแต่งนี้นก็จะสิ้นสุด กลับไปสู่อะไรกลับไปสู่ความว่างเดิมเนี่ยก็ให้เรามาเที่ยวในโลกแล้วเรามาติดโลกหาทางกลับบ้านไม่ถูกปแลวเนี่ยโยมต้องหาทางกลับบ้านให้ถูกนะบ้านเดิมของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเรามาจากที่เดียวกันเราจะกลับไปที่เดียวกันที่มันต่างกันทุกคนเหตุปัจจัยทุกคนไม่เหมือนกัน แต่ว่าความเป็นตัวตนที่แท้หรือธรรมชาติที่แท้ของเราทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันถ้าโยมหาอนี้ได้สบายยมอะไรจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายยมเข้าใจตัวเรายอมจะเข้าใจคนต่างๆยอมจะไม่ไปยิ้ยิเขาแล้วตักเศษตักฝนหอวงวงพสงสารสงสารคนเฒ่าคนแก่เปียกฝนมัน อะไรเปล่อยวันเวลาให้มันลวกไปลุกไปดูมันได้ทำประโยชน์ให้ตัวเองเลยสุดอยสุดซอยทะลุซอยกันนั่นแะมันเป็นเรื่องไร้สาระไร้สาระจริงๆปล่อยเวลาให้มันยมเห็นจิตใจตัวเองแล้วเนี่ยยมจะไม่ไปเลยจริงๆด้วยยมไม่ต้อง โยอมจะอยู่ในสังคมอย่างสัตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จากตนรู้จักประมาณการบริษัทบุคคลนี่คือปัญญาของผู้เข้าถึงความจริงหรือรู้แจ้งรู้แจ้งโลกรู้แจ้งตัวเองรู้แจ้งความจริงเนี่ยมันจะมีปัญญาอยู่กับโลกอย่างไม่ขัดแย้งรู้จักประมาณตัวรู้จักบุคคลรู้จักหมู่กลุ่มนี่คือนี่คือปัญญาแล้วไม่ได้แบ่งแยกกับใครเลยเรารู้เราเข้าใจ อันไหนควรทาอันไหนไม่ควรทําอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดอันไหนเป็นสาละอันไหนไม่เป็นสาละเดี๋นี้เราไปเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาละเป็นสาละเราไม่ได้เห็นสิ่งที่มันเป็นสาละว่าเป็นสาละที่เราดํารงชีวิตอยู่ในมิติของจิตสามัญจึงนึกด้วยล้เนี่ยเรายึดถือในความเห็นของตัวเองยึดถือในความแบบยึดถือในความเห็นของข้าถูก มันจะตีกันตายทุกวันองคาถูกไม่มีใครบอกว่าของข้าผิดเลยเราเห็นก็เป็นชิ้นนั้นเองเราไม่ไปลงลงความเห็นว่าไอ้นั้นผิดไอ้นี่ถูกเราเราจะลงความเห็นโอ้ทุกสิ่งมันเป็นชิ้นนั้นเองตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่เห็นจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะมันไม่มีสาระอะไรเลย ดีไปดีไปโดนลูกหลงตายไป <c oughs> ไอพวกกี่โดนลูกหลงแปด0ิบเก้าสิบคนนนะัะมันมาลูกหลงนันเหมืนหรือลูกไม่หลงก็ไมือลูกกองหัวเพราะคนสมาธิมันจะต้องมีพลังมันถึงจะต่อเนื่องศีล หยเริ่มต้นไงพอเราเห็นใจเราว่างแล้วเนี่ยนี่คือศีลปกตินะศีลตัวเนี้ยทําไปมากๆบ่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันจะมีพลังเนี่ยคือสมาธิสมาธิตัวนี้จะไม่ถอยเลยนะจะไม่วันนี้มีสมาธิพรุ่งนี้ไม่มีไม่ใช่สมาธินี่จะมั่นคงขึ้นเลยเหมือนเดินลงมหาสมุทรลุ่มลึกขึ้นเลยไม่มีถอยละมันเป็นเอง มันเป็นเองตามธรรมชาติหรือวิถีของมันในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาอะไรไปทำให้มันเป็นอะไรขึ้นมาได้มันเป็นไปถ้าเราเดินทางถูกมันก็เป็นไปตามวิถีธรรมชาติของมันแค่นั้นเองนี่คือการดำเนินชีวิตที่แท้จริงหรือดาเนินชีวิตพลมจันท์ดำเนินชีวิตด้วยมรรคมีองค์แปด ที่มีสัญที่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงหรือปัญญาที่มาจากความว่างเนี่ยเป็นฐานเป็นฐานของการคิดถ้าเราคิดแล้วเห็นไอ้ตัวว่างด้วยเนี่ยสัมมาวาจะสัมมากัมมันตสัมมาสังคปะเข้าไปพูดสัมมาวาจะสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพการงานแล้วเห็นไอ้ตัวว่างเนี่ยสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตามันสัมมาได้เพราะ มันมีปัญญาเป็นพื้นฐานถ้าเราไม่เห็นตัวว่างเราก็มีอวิชชาเป็นพื้นฐานอาวิชชาพื้นฐานก็คิดปรุงแต่งเกิดความรู้สึกมีตัวเรารู้สึกชอบรู้สึกชังพอใจไม่พอใจเป็นความโลภความโกรธเกิดการกระทําเนี่ยมิตริจิตชามัญจำนึกเนี่ยถ้าเราปฏิบัติอย่างเนี้นะพอเข้าถึงตรงนี้แล้วโยมเราจะเห็นว่าโอ้ให้ชีวิตของปุถุชนเรานี่ เราอยู่ก็โลกมายาจริงๆเลยโลกของประสาทสัมผัสไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยแต่นี่มันจะเกิดความเพียรเกิดความพยายามที่จะไปพ้นจิตสามัญสำนึกแล้วเมื่อใดก็ตามที่โยมเข้าถึงจิตเหนือสานึกหรือจิตที่ไม่มีตนเนี่ยมันจะมีความอิ่มเอิบมีความสุขมีความปิตลื่นลริงที่มาจากภายใน เนี่ยคือความสุขที่แท้จริงที่เราทุกคนต้องการแต่เราไม่รู้จักวิธีเราเลยไปหาความสุขจากประสาทสัมผัสเห็นลูกสวยๆเสียงเพลาะๆอาหารดีๆติดเยอะตัวเนี้ยจนตายอยูมันมีวิธีดำเนินชีวิตอีกอีกวิธีทางหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยโยมต้องค้นหามานให้เจอให้ได้มนุษย์เราเท่านั้นแหละ ที่จะพัฒนาได้โยมเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เนี่ยลุงพ่อกว่าจะเห็นกวจะเริ่มเดินทางเนี่ยตั้งอายุห้าสิบห้าดีมันไม่ตายไปซะก่อนแต่ก่อนลุงพ่าเป็นอาหารกินเหล้าเมายาเที่ยวลุงพ่อไปต่างประเทศอะไรๆลาวขเขมรลาวขเขมรที่ลุงพ่อไปมาหมดแล้วไปทํางานอีหลานอีรักษ์เนี่ยบานฮุสเซน UAE เนี่ยพ่อไปมาหมดแล้วตอนกลางพ่ไปอยู่ตังสิกว่าปีวันหนึ่งหนุนพ่อก็ไปอ่านหนังสืงขอข้างหลังปกบางกอกเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ป่ะหนังสือบังกอกขอ้างหลังปกบางกอกเนี่ยมันจะมีเรื่องพลังจิตหนูนพ่อก็สนใจอ่านอยากจะเป็นนักสะกดจิตยังมีอยู่ไหมเออหนันสงสือบางกอกด้านหลังไอ้ไหลแผ่นหลังนั่นนะ มันจะมีเรื่องพลังจิตนี้อะไรนะอะไรเนี่ยหลวงพ่อเข้าหาศาสนาไปอยู่ต่างประเทศเพื่อนก็นเอาติดไป เ, เลยอ่านเล่นๆจนกระทั่งสูงสุดมาอ่านของหลวงพ่อผุธธต้ตถาทัตอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยหลวงพ่อไปฉันอาหารร่วมกับท่านต๊ะกกลมฉัน ท่นเสรษฐฐานนะอาจารย์ปัญหาของมนุษย์เราเนี่ยคือความรู้สึกเขามีตัวตนใช่ไหมท่านบอกว่าใช่แล้วเราจะไปขจัดมันได้ยังไงท่านบอกเราไม่สามารถจะไปขจัดให้ตัวตนได้หรอกมันเหมือนผีมันไม่มีตัวตนน้ำมันเกิดตอนที่เรามีอวิชชาอาวิชชานี่เหมือนความมืดเมื่อมีความมืดมันก็มีผีอ่ะ ถ้าความมืดมันไม่มีมีแสงสว่างผีมก็หายไปถ้าปัญญาเกิดอวิชาก็หายตัวตนก็หายเนี่ยวิธีขจัดตัวตนก็คือพัฒนาให้เกิดปัญญาเหมือนความสว่างอาวิชาหายไปตัวตนก็หายไปไม่ต้องไปกาจัดว่าไอ้ตัวตนไอ้ความคิดมันเกิดมันดับมันเที่ยวไม่ได้ความคิดสร้างความรู้สึกของมีตัวตน แล้วก็ไปพิจารณาเฮ้ยมันไม่เที่ยงนี่มันเกิดมันดับมันไม่มีตัวตนคิดแบบชาวโลกมีไปหาความไม่มีทุกไปหาความสุขร้อนหาความเย็นเนี่ยแบบชาวโลกสุดตรงหนึ่งตรงไปข้างหนึ่งแต่เราก็รู้ว่าไอตัวตนมันเกิดจากอวิชชา เกิดจากใจที่ไม่มีปัญญาพอเรามีปัญญาตัวตนก็หายไปไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรเลยใครมีคำถามอีกไหมเข้าใจไหมหนุเข้าใจเข้าใจว่าไ ง, ง, ง <laughs> ใช่ สรางปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็เพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งเมื่อมันมีปัญญาอวิชชาหายไปตัวตนก็หายไปเกิดปัญญาชนิดหนึ่งละวางความยึดถือเมื่อมันละความยึดถือตัวตนมันก็หายไปเพราะฉะนั้นแนวการปฏิบัติของพวกมีสามขั้นตอนหนึ่งหาทางที่ไปพ้นการรับรู้อย่างแบ่งแยกให้ไดไปพ้นจิตใจมันทานึกที่แบ่งแยก นั่นก็คือโคเมลู ก, ก่อนขั้นที่สองปฏิบัติอย่างเนี้ยปฏิบัติไปบนวิถีที่ไปพ้นการแบ่งแยกเนี่ยจนมันมีพลังพอมันมีพลังแล้วเนี้ยปัญญามันจะรู้พร้อมเขาเรียกว่ารู้ในความเป็นทั้งหมดรู้ในความสมบูรณ์ของชีวิตรู้ในความเป็นอง์รวมสุดท้ายก็กลับลงมาร่วมโลกสูงสุดสู่สามัญ ต้องใช้สมมุติต้องมาอยู่กับคนอย่างโยมถามอยู่กับคนโลกๆอย่างไม่ขัดแย้งแหละเรามีปัญญาที่รู้ความจริงเนี่ยเราอยู่กับเขาอย่างไม่ขัดแยงแ้งกันนี้เขาด่าเราเฉยเนะี่ยขัดแยงแ้งไหมไม่ไม่ขัดแยง้งเขาชมเราเฉยเนะี่ยมันขัดแยง้งเขาตีกันตายเราเฉยมันขัดแยงเราไม่ไปตีเขาด้วย น, นี่คือสามขั้นตอนในแนวนทางที่หลวงปอ แกแผ่นเอ็มพีสามเดี๋ยววันหลังจาเอามาให้วันนี้เอานังสือมาให้ก่อนอมีใครจะถามอะไรไหมไม่ต้องไปคำ <c oughs> ตอบของพ่อคือไม่ต้องไปถ้ายมไปเนี่ยมันจะไปทำเป็นตามรูปแบบ มันจะไปกำหนดไอ้นวลกำหนดไอ้นี่ทุกครั้งที่โยมกำหนดอะไรก็ตามมันจะมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้แทนที่ปกติจิตทั้งโยมไม่มีอัตตามากมายเนะพอยมไปปฏิบัติโยมไปสร้างอัตตาให้มากขึ้นโยมเห็นว่าคนปฏิบัติจริงจังเพียนเคลียดเพียนเลยวุย้ยฮึ่ง เ, ออเคยเจอไหมนั่นแหละพอเขาไปสร้างตัวตนมากมากขึ้นตลอดเวลา ไม่ต้องปฏิบัติเอ้ยไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนอยู่ก็บบ้านอยู่กับการทำงานนึกขึ้นได้ชำเรื่องดูใจเห็นมันว่างแค่นั้นนึกขึ้นยากจำเรืองดูใจเห็นมันว่างพอใจมันว่างเราเห็นยังไงได้ยินยังไงแค่นั้นปฏิบัติมีไปก่อนแล้วยมจะก้าวหน้าถ้ายมไปปฏิบัติงั้นเนี่ยยมปฏิบัติจนตายยอมก็ไม่รู้อะไรไม่มีทางที่จะรู้อะไรขึ้นมา